บุคคลบรรยายเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2548แต่ทีนี้จะพูดแบบที่ว่าให้เบาๆไม่อยากให้เป็นเรื่องหนักเป็นวิชาการอะไรมาก ก่อนที่จะไปพูดอย่างนั้นนะก็คุยกันลึกทั่วๆไปนี้อยากจะถามท่านหน่อยก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำว่าความดีความชั่ว ย, ยังไงอันนี้มันเป็นปัญหามากแม้แต่ในระดับของพวกปรัชญาเนียก็เลยกเป็นปัญหาในทางวิชาการแต่นี้สำหรับ คนทั่วไปบางทีก็พูดพูดกันไปแต่ว่าเราไม่เคยคิดกันจริงจังว่ามีความหมายยังไงมีหลักอะไรมีนิจฉัยไหมดีชั่วแล้วก็ถือตามๆกันใช่ไหมเขาว่าดีก็ดีสอนมาว่าดีพ่อแม่ผูยญาติยายสอนมารลกสังคมพูดกันมาเป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีแต่เวลาถามกันขึ้นมาก็สงสัยและทีนี้ชักไม่แน่ใจ บางก็ไปเอาเรื่องของการบัญญัติของมนุษย์นะตกลงกันของสังคมในสังคมแต่ละแห่งก็อาจจะบัญญัติต่างๆกันบัญญัติว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะที่ว่าที่นี่สังคมนี้ว่าดีสังคมโน้นว่าใหม่ดีที่นี่ว่าดีไอ้ที่นุนว่าชั่วให้ทนุนว่าช่วยไอ้ที่นีว่าดีเลยนี่นะฮะแล้วจะใช้หลักอะไรล่ะ ถ้าเป็นอย่างที่ว่าแล้วแต่กายบัญญัติสังคมนี้ว่าอย่างสังคมนั้นว่าอย่างมันก็เป็นเรื่องไม่มีจริงหรืใช่ไหมฮะแล้วแต่มนุษย์ตกลงกันเอาอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทางวิทยา ศ, าศาสตร์ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่จิตใจของมนุษย์แต่ละคนคิดเป็นสับ jective หรือมั้งไงก็เป็นเรื่องบัญญัติของสังคม หรือมั้งไงก็ไปเรื่องศาสนาศาสนาของฝรั่งเขาก็มองไปว่าเป็นเรื่องบัญญัติของศาสนาและพอบัญญัติของศาสนาเขาก็มองไปที่ว่าโดยที่ทางสถาบันองค์กรศาสนาอ้างพระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเทวองค์การพระผู้เป็นเจ้าว่าอย่างนี้ดีก็ดีว่าอย่างนี้ไม่ดีก็ไม่ดีอ้าวแล้วใครรู้แล้วพระผู้เป็นเจ้าว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไมแล้วก็ต้องว่าไปตามที่ องค์กรศาสนาว่านหรือว่าได้มีมาในคัมภีร์ซึ่งไม่รู้ว่ามาอย่างไงใช่ไหมเขาบอกไม่รู้แหละบัญญัติไว้ในคัมภีร์ว่าอันนี้เป็นบาปหรือถ้าสืบลึกลงไปหน่อยเขาบอกว่าบาปก็คือว่าความละเมิดต่อพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่สงสัยท่านก็ถือว่าบาปเรียกว่าไม่เชื่อสงสัยเป็นบาปก็เรียกว่าเป็นความละเมิดต่อพระผู้เป็นเจ้า ไม่เชื่อฟังท่าว่ามีบัญญัติในคมภีร์ว่าพระเจ้าได้สั่งว่ให้ทํางี้ฟ้าฝืนไม่ทําตามก็บาหรือไปทําสิ่งที่คือว่าไอไอทำมันก็มีสองอย่างคือในทาบวกกับทงลบทําในสิ่งที่ท่านไม่ทําไม่ทําในสิ่งที่ท่านให้ทําำก็เป็นบาปหมดอันนี้มาถึงคนไทยเราคนไทยเราก็ พอถามกันเอาคนที่ฟังกันมาตามประเพณีหรือจากว่าอยู่ในสังคมเน่ยว่าตามๆกันไปถือตามๆกันไปก็เอาหลักไม่ได้เหมือนกันพอถามเขาก็ยุ่งนะท่านจะว่ายัางไรล่ะทีนี้ใครจะลงให้ความเห็นว่าจะเอาอะไรเป็นหลักตัดสิน <c oughs> ผมว่าถ้าให้ตักวกับผมเองดูนะครับ <c oughs> ผมจะดูสามทางทางแรกก็คือ สังคมสิ่งใดที่สังคมที่บุคคล น, นั้นอยู่ เ, เห็นว่าผิดอันนั้นก็เป็นความผิดมองอันที่สองก็คือมองจากตัวบุคคลสิ่งใดที่ตัวบุคคลทําไปแล้วรู้สึกในใจตนว่าก็อาจจะเป็นความผิดมุมประการที่สามก็คือความผิดในตัวของมันเองอันนี้ในทางกฎหมายจะเรียกเป็นละตินว่ามาลาอินเซคือเป็นความผิดในตัวของมันเองซึ่งแม้จะกฎหมายจะไม่ คือท่านมองนอกเหนือไปจากกฎหมายนะครับ mm hmm. แม้แต่กฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้แต่ว่ามันเป็นความผิดในตัวของมันเอง mm hmm. ก็น่าถือได้ว่า mm hmm. เป็นความผิดถ้ากระทำไปก็จะเป็นบาปในส่วนแรกและส่วนที่สองเนี่ยคงไม่มีข้อถกเถียงกันมาก mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องสังคมและตัวคนแต่ไอความผิดในตัวของมันเองนะั้น ก็คงจะมีข้อถกเถียงกันได้เพราะว่ามันไม่มีบรรทัดฐานอะไรที่จะเป็นข้อกําหนดที่ชัดเจนออันที่สามกับอันที่สามนั่นทีนี้มันยุ่งหมายความว่าจะเอาจริงกันเข้าแต่ว่ามันมีจริงหรือเปล่าัแต่ถ้าดูว่าการกระทํานั้นเป็นการเบียดเบียนเบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นหรือสิทธิ์ของผู้อื่นอันนี้อาจจะดูในเบื้องต้นได้ว่าจะเป็นความผิดได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธี หาทางวินิจฉัยหรือตั้งเกณฑ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งให้ม่มีหลักแม้แต่ความหมายคําว่าผิดถูกก็ดีชั่วบางทีก็มีกองมีความแตกต่างด้วยในนี้ว่าประเด็นในที่นี้ก็คือว่ามันมีไห้ความดีความชั่วโดยธรรมชาติมีจริงหรือเปล่านันนน่นเองอ่ะเป็นความจริงที่มีอยู่หรือว่าเป็นเรื่องที่ว่าขึ้นต่อที่ว่าถ้าเปิดบุคคลก็สับ jective ั คนก็เห็นกันไปคิดกันไปแนละ้วแต่จะว่ากันไปเป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของสังคมมันหยาดเรื่องของศาสนาอะไรที่ว่าอา้าวทีนี้ผมจะลองถามอีกขั้นหนึ่งเพื่อจะให้เข้าใกล้หลักในทางพุทธศาสนาเวลาเราใช้ว่าดีชั่วในภาษาไทยเนี่ยคําไทยบางทีมันทาให้สับสนเหมือนกันนี่เราลองมาดูคําบาลีบางท่านคิดว่าคําบาลีอะไรแปลว่า ดีว่าชั่วกุศลกับกุศลหนึ่งแล้วมีอะไรมาฮะบุญบาปไงใช่ไหมกุศลกับอกุศลคู่หนึ่งบุญบาปคูนหนึ่งแล้วก็บุญบางทีก็เขือก็คือกุศลบาปก็อกุศ ล, ลนี่พูดแบบกว้างๆยังไม่เจาะลึกทีนี้ดูว่าสองตัวเนี่ยมันตรงกับไทยจริงรึเปล่ปาขอยกตัวอย่าง เชว่าถ้าเราพูดขึ้นมาบอกว่าความเหงาเป็นความชั่วภาษาไทยยอมรับได้ไหมเออยอมรับได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมหรือพูดว่าความฟุ้งซ่านเป็นความชั่วเออไม่น่าจะเป็นใช่ไหมหรือความท้อแท้เป็นความชั่วความหดหู่เป็นความชั่วเออเห็นแะล้วภาษาไทยรับไม่ได้แต่นี่เป็นอกุศลนึกงสิน้น แสดงว่าไอ้ดีชั่วกุศลอกุศลนี่มันไม่ได้ตรงกันจริงเลยเราเอามาแปลคล้ายๆเอาพอเทียบเท่นั้นเองนั้นเวลาพูดเอาจริงเอาจังก็เลยไม่ใช้คําไทยเพราะมันตาให้ยุ่งทีนี้ทางภาษาพระทางหลักทางาพุทธศาสนาท่านถือว่าไอ้กุศลอกุศลมันเป็นสภาวะสภาวะก็หมายความว่ามันมีภาวะความมีจริงของมันเองแล้วดูว่ามันอยู่ที่ไหน เอาทำไมว่าความหดหู่ความท้อแท้เป็นอกุศลามาเกิดที่ไหนล่ะความหดหูเ่เนี่ยในใจนนใช่ไหมแลม้วมาเกิดขึ้นในใจแล้วมนเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจไหมไม่เกื้อกูลนี่คือความเป็นอกุศลความร่าเริงเบิกบานใจความเมตตาเอานะความปรารถนาดีอะไรต่อลยเกิดขึ้นในใจแล้วมีผลดี เกื้กูลตัวจิตใจหรือเสียหายตัวจิตใจเป็นผลดีเป็นผลดีกับชีวิตจิตใจอย่างเมตตาไนดะ้เห็นง่ายใช่ไหมเพราะเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจก็สบายแล้วไม่เฉพาะจิตใจนะระบบเพราะมันถึงกันหมดใช่ไหมกล้ามเนื้ออะไรแต่เลผ่อนคลายหมดที่เรียกว่าเลือยเลื้อยลมเดินดีอะไรแต่เลยนะอย่างที่ว่าถ้าคนมีเมตตาก็พลอยแก่ช้าหน้าตาก็ ยิ้แยมเบิกบานแจ่มใสอะไรแต่ไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ตรงข้ามละความโกรธท่านบอกเป็นอกุศลเพราะวามันเกิดขึ้นกับจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทําให้จิตใจคุ้มมัวเศร้าหมองร้อนรนนะฮะเครียดใช่ไหมกระบวนกระวายร้อนรุ่มแล้วก็มีผลต่อชีวิตแม้แต่ร่างกายนี่กล้ามเนื้อเกร็งเครียดหน้าตาจะ เขียวโยนไวเป็นตนไปหมดแหละใช่ไหมกุศลนกกุศลทางพระท่านถือที่นี่ส่วนไอ้เรื่องระดับออกมาถูกสังคมนั้นเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยว่าเป็นระดับระดับระดับออกมาเมื่อมีเมตตาแล้วจิตใจก็เบิกบานเย็นผ่อนคลาย ทีนี้ก็เกือ้อกูลต่อชีวิตจิจตใจของตนเองนะใช่ไหมฮแล้วก็เกิดกูลต่อกันออกมาทําให้เกิดการช่วยเหลือกันอะไรต่ อ, อ ไ, ไปก็เป็นผลที่ดีที่สอบสืกเนื่องแต่โดยสภาวะก็คือมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกือ้อกูลต่อที่นั้นฮมันเกิดขึ้นที่จิตใจมันเกือ้อกูลไม่ต้องรอไปดูที่อื่นฉะนั้นท่านจึงถือเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าพวกสภาวะจิตเหล่านี้ สิ่งที่เราเรียกกันว่าอารมณ์หรืออะไรก็ตามมันก็เป็นสภาวะที่มีจริงในทางจิตใจแล้วมันเกิดขึ้นมันก็มีผลต่อชีวิตจิตใจเข้าสู่ระบบเหตุปัจจัยทันทีนมีผลขึ้นมานแล้วมีปฏิกิริยามีผลต่อการเช่นว่ามีความโกรธเกิดขึ้ น, นแม้แต่คุณสมบัติอย่างอื่นของจิตใจเช่นปัญญาก็จะถูกบีบคั้นใช่ไหมมันจะตีกันเองใช่ไหม ทำให้ปัญญาทำงานไม่ได้ดีสติสเตึกก็พลอยแย่ใช่ไหมไอ้เจ้าฝ่ายอกุศลไม่เกื้อกูลต่อจิตใจเพราะมันก็ทําให้อาการทํางานของชีวิตจิตใจนั้นไม่ดําเนินไปได้ดีนันะปัญญานี่เป็นฝ่ายดีใช่ไหมเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจปัญญานี่เป็นกุศลตัวสําคัญสติก็เป็นกุศลสมาธิก็เป็นกุศลอะไรพวกนี้ถ้าฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นไอ้เจ้ากุศลก็เกิดไม่ได้ถ้ามันะมก็ บีบคันมันก็เป็นอกุศลเพราะมันเป็นปฏิปักษ์อกุศลอะแปล ว, ว่าปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลมันขัดกันมันแย้งกันมันขวางกันแล้วมันก็ไม่เกืกก้กูลอกุศลกุศลไม่ เ, เกื้อกูลเกื้กูลต่อชีวิตจิตใจอกุศลก็ไม่เกิดกูลอันนี้ท่านถือว่านี่โดยสภาวะส่วนที่ว่าจะออกมาสู่สังคมหรืออะไรนี้เป็นอีกระดับหนึ่งอันนี้ก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาประกอบต้องว่ากันอีกชั้นหนึ่ง เป็นยังไงละแต่ว่าตามหลักพุทธศาสนาถึงแต่ตองเอาไปเรียนเป็นอภิธรรมเป็นอะไรต่อะไรกันเนะอภิธรรมก็มาเรียนเรื่องอย่างเนี้ยเช่นว่าแยกทางด้านรูปธรรมร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจก็แยกแยะออกไปมีองค์ประกอบอะไรบ้างและในบรดาองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติพวกเนี้ยพวกสภาพจิตพวก น, นี้ที่เราเรียกว่าพวกอารมณ์ต่างๆหรือคุณสมบัติหรือสิ่งที่เป็นโทษต่างๆเหล่านี้มากมาย อภิธรรมก็จะไปแยกแยะเยอ ะ, ะ, ะแยะไปหมดที่เราเรียกว่าเจตสิกห้าสิบสองนะฮะว่าฝ่ายที่ตัวดีมีอะไรบ้างเช่นอย่างสติสมาธิปัญญาเมตตากรุณามุธิตาในกีนีแล้วก็ฝ่ายร้ายที่เป็นอกุศลไม่เกือ้อกูลเช่นความโกรธความจนหนีความริษยาใช่ไหมความ ความขัดเคืองความผูกโกรดความอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนั่นนะก็เป็นฝ่ายอากุศลก็คือเกิดขึ้นจิตใจแล้วไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจอันนี้ก็คือหลักการแล้วก็เวลาท่านแยกแยะออกไปในเวลาท่านมาศึกษาเรื่องนี้ก็จะวิเคราะห์ว่าอากุศลก็เกื้อกูลเกื้อกูลก็หมายความว่ามันทาให้ชีวิตจิตใจเนี่ยเช่นว่าทางานได้ดี อย่างพวกสมาธิเกิดขึ้นในจิตก็ทำให้จิตเนี่ยเหมาะกับการใช้งานหรือสติเกิดขึ้นก็ทำให้คนนั้นเนี่ยคลองตัวได้สามารถทำอะไรได้ตั้งหลักได้ใช่ไหมถ้าสติลอยไปหายปั๊บเนี่ยเช่นว่าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาคนไหนกลัตกตะลึงกลัวสติหายไปเนี่ยทำอะไรไม่ถูกถูกไหมก็เกิดความผิดพลาดเสียหาย ถ้าตั้งสติได้ก็อยู่เลยใช่อไหมเราก็ทําอะไรได้ถูกเพราะนั้นเกื้อกูลต่อชีวิตจิตนี่ก็เป็นเรื่องของสภาวะพวกสภาวะทำเหล่านี้ก็มีความหมายหนึ่งก็เป็นกุศลก็เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นตัวทําให้เกิดความสุขเข้ากันได้กับความสุขนี่นำมาซึ่งความสุขเพราะอย่างมีเมตตามีจิตใจสบายมีปัญญาอะไรเนี่ยทําให้เกิด ความสุขแล้วก็ไม่เกิดไม่กอ่อความเสียหายไม่กอ่อความเสียหายต่ตางๆนะก็ไม่เป็นโทษต่อชีวิตใจใ น, นั่นเองก็พูดในทางตรงข้ามแล้วก็ประกอบด้วยปัญญามานะถามว่ากุศลทุกอย่างนี้มันจะมีปัญญาประกอบมันเข้ากับปัญญาและทําให้ปัญญาจเจริญตั้งนานทาให้มนุษย์พัฒนาคือพว ก, การพัฒนามนุษย์มีสิ่งสาคัญยิ่งก็คือปัญญานะ แล้วเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการพัฒนาไแล้วก็การพัฒนาก็จะทําให้ปัญญายิ่งเจริญงอกงามขึ้นไปมันจะเอื้อต่อการที่เราจะเกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆถูกต้องตามเป็นจริงอย่างถ้าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันจะบังมันจะทําให้การคิดการเข้าใจอะไรต่างๆในถูกบิดเบือนแล้วก็มองอะไรไม่ถูกต้องไม่เห็นความจริงอย่างตัวอย่างอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเข้าใจเรื่องธรรมะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะบอกในงแง่ด้วยว่าคือเรื่องพุทธศ า, าสนานี่ต้องขึ้นต่อการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษาแล้วก็ก็จะค่อยๆเพียนค่อยๆ ค, คลาดเคลื่อนไปนานๆก็จะไม่รู้เรื่องเลยไอ้สําคัญก็คือเพียนคลื่นคลาดเนี่ยเวลานี้ในสังคมไทยเรานี่ต้องพูดว่าน่าไปห่วง ม, มากคือเราเชื่อเราปฏิบัติสิ่งที่ เรียกว่าเป็นพุทธแต่ตรงข้ามกับพุทธศาสนาเยอะเหลือเกินจริงไม่จริ ง, รงเรียกว่าเป็นพุทธแต่ที่จริงมาตรงข้ามกับพุทธนะท่านยกตัวอย่างได้ไหมฮะอะไรลองยกตัวอย่างสารพระภูมิสารพระภูมิก็มีเรื่องต้องวิเคราะห์มากก็ในในแง่หนึ่งก็คือว่าสภาพความสัมพันธ์ต่อสารพระภูมินะท่าทีหรือการปฏิบัติต่อสารพระภูมิยังไงอันนี้จะเป็นจุดวินิจฉัยมากกว่าไม่ใช่เพียงเพียงแค่ว่ามีสารพระภูมิ แต่ว่าปฏิบัติต่อสารพระภูอย่างไงเชื่อตสารพระภูอย่างไงอันนี้เป็นตัวสําคัญที่จะวินิจฉัยนะฮะนั้การบางๆของหวยขอเลขอันนี้ใช้หลักอะไรวินิจฉัยอ่ะที่ไม่มีความเพียรก็ขัดง่ายๆก็คือขัดหลักกรรมและหลักความเพียนแล้วการลึกลงไปก็คือขัดหลักเหตุปัจจัยใช่ไหมเพราะมันไม่ไม่เป็นไปนตามหลักเหตุปัจจัยเลยเชื่อเลื่อนลอยอะมันขัดหมดแหะ แต่ขั้นง่ายๆที่สุดก็คือการลั ก, กรรมคือการกระทําการกระทําให้เกิดผลสําเร็จด้วยความเปลียย่ยนไปใหญ่ๆหลักการนี้หลักการง่ายๆเบื้องต้นแต่ลึกลงไปก็คือหลักกรรมที่มาจากไหนก็คือหลักเหตุปัจจัยว่าไอ้ที่เราต้องทําเพราะอะไรเพราะว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นไปตามเหตุเมื่อเราต้องการผลเราก็ต้องทํา ทีนี้ไอ้เจ้าความเชื่อบนบานสารกล่าวนี่มันเลื่อนลอยไม่รู้ไอ้เจ้าตัวผู้บันดาลให้มันมีจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมและจะบันดาลให้บ่อไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นเคว้งคว้างเลื่อนลอยเต็มทีก็นอนรอไปแล้วมันขัดต่อความเพียรที่ว่ามันก็งอมืองอเท้าทใช่ไหมขอไปแล้วเราก็ทําเองไม่ได้เนี่ยมันไม่ขึ้นต่อตัวเรามันขึ้นต่อตัวท่าน เมื่อขึ้นต่ตัวท่านเราก็ไม่มีทางจะทําอะไรได้เราก็นอนรอก็รอให้ท่านบรรดาลให้ก็เลยไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมอย่างนี้ก็หมดเพราะฉะนั้นขัดหลักพุทธศาสนาขั้นพื้นฐานเลยนะเรื่องเนี้แต่ไม่รู้มันเป็นยังไงมาพูดเมืองไทยเราบอกเมืองพุทธเลยเต็มบะเดี๋ยเรื่องหล่อ น, นี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากท่านมีความเป็นยังไงท่านสิริพุทธเย้า ผมผมนึกถึงให้เช่าพราะครับแล้วก็โฆษณาว่าถ้าบูชาแล้วจะรวยแล้วจะแคล้วคลาดแล้วะจะเฮงโดยที่ไม่ได้สอนว่าให้ให้ทำให้ปฏิบัติตามหลักในพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าถ้าบูชามีพระอยู่ติดกับตัวแล้วจะจะมีโชคครับนี่แหละที่มันน่า ก, กลัวของเนี้ยคือมันมีเขาอยู่ที่เป็นประโยชน์แต่ทีนี้ว่ามันไปเพี้ยน คาดเคลื่อนเรามองธรรมชาติมนุษย์มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเพียงพอจิตใจมันก็มีไอ้เรื่องปัญหาความว้าเหวความหวาดระแวงความกลัวหวาดหวั่นไอ้สภาพจิตอย่างเนี้ยก็ทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าศ า, าสนาเกิดขึ้นมาศาสนาแต่โบราณก็มาช่วยจุดผมเคยอ่านเจอในหนังสือ บอกชื่อมาวิทยลเลยก็ได okay. ้มอสทอนี่แหละวิชาหนึ่งเขียนไว้เราก็มามองเออนี่เขาเข้าใจกันขนาดนี้เขาบอกว่าบทบาทหรือหน้าที่ของพระเนี่ยก็เหมือนหมอผีเป็นไงหมอผีหมอผีก็มาช่วยทำวิธีทำให้คนเนี่ยจิตใจสบายหายกังวลหายหวาดหวั่นเพราะว่าแกล้กลัวผีจะมาเข้าผีจะมาบิดคออะไรเงี้ยใช่ไห แล้วก็พระก็เหมือนกันเออในตำรานานและหลายปีแหละไม่รู้เขาแก้หรือยังแล้วก็ทําให้มองคือเรามองได้สองชัน้นชั้นหนึ่งก็คือมองว่าตำรานั้นน่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแต่มองอีกชั้นหนึ่งก็มองในแง่ว่ามีประโยชน์คือให้เห็นว่าเนี่ยนะความเข้าใจในสังคมไทยมีอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าแก้ไข ก็เป็นการฟ้องตาราอนี้ช่วยฟ้องฟ้องสภาพความเป็นจริงที่ไม่อยู่ซึ่งเราจะได้เห็นปัญหาที่จะแก้ไขด้วยมองในแง่นได้ประโยชน์ด้วยทีนี้ก็เอาไปว่านี่แหละคือว่าเราต้องเข้าใจมนุษย์นี่เราต้องมองพุทธศาสนาแบบกว้างด้วยว่าพุทธศาสนาเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์ก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะมีอวิชชาไม่รู้ความจริง แต่ว่าจะปล่อยให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องพยายามช่วยเขาให้พัฒนาตัวขึ้นให้ให้เขามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติดําเนินชีวิตได้ถูกต้องการที่ว่าจะให้เป็นอย่างนี้เราเรียกว่าพัฒนาชีวิตของเขาขึ้นหรือเรียวกว่าการศึกษานี่ยเองใช่ไหมก็คือต้องมีการศึกษาจึงมีการสั่งสอนอบรมแต่ทั้งนี้เราจะไปยัดเยียดบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการมันไม่ได้ เมื่อไม่ได้แล้วจะทำไงเราก็ต้องใช้ความปรารถนาดีต่อกันก็คือเมตตากรุณาไปหาทางช่วยด้วยการให้ปัญญาแนะนำสั่งสอนและวิธีการอย่างอื่นเช่นจะมีทางระบบวินัยวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะแต่การตัวสาคัญตัวหลักก็คือการสั่งสอนแนะนำให้การศึกษานี้การศึกษาการสั่งสอนมันก็ขึ้นต่อความสามารถของตัวผู้สอนด้วย เราก็ต้องยอมรับจะไปดึงดันจะเรียกร้องจากเขาอย่างเดียวนะต้องดูตัวเองด้วยบางทีตัวเองพระหรือผู้สอนก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนักหนาแม้แต่รู้หลักแล้วว่านี่เขาปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ใช่าตัวจะสามารถสอนให้เขาเข้าใจใช่มเพราะนั้นมันก็ต้องอา้าวยอมรับความจริงของเขาแต่เรามีความปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขาพัฒนาขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกเราต้องหาทางช่วย การที่จะหาทางช่วยก็คือว่าอ้าวตอนแรกก็ในเมื่อเขายังไม่รู้เข้าใจทำไงจะให้เขาจิตใจสบายก่อนจิตใจสบายก็เลยมันก็ยังมีการเปิดช่องให้เรื่องสิ่งเหล่านี้แม้แต่พระเจานตไกก็ยังมีการนับถือในเชิงคล้ายๆแบบศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยก็มาทำให้เกิดความมั่นใจที่เรียกว่าแบบแบบศรัทธาน่ะอนี้ก็คือการที่ศรัทธาเข้ามา แต่ทำไงจะโยงศรัทธามาสู่ปัญญาได้นี่คือสำคัญที่สุดถ้าปฏิบัติไม่ดีศรัทธาจะเป็นตัวขวางปัญญาเลยนะศรัทธากับปัญญาเนี่ยสำคัญมากในทางพุทธศาสนาจะต้องให้ศรัทธาเป็นตัวเกึ่งหนุนปัญญาถ้าศรัทธามาขัดขวางปัญญาก็เป็นศรัทธาที่ผิดศรัทธาขัดขวางปัญญามีเยอะแยะไปเชื่อแบบงม ง, งายเชื่อแบบไม่เปิดช่องให้แก่การคิดการเรียนรู้เลย เชื่อแบบบังคับอย่างเงี้ยนะพงนี้ปิดการปัญญาหมดเลยอันนี้ถ้ามีศรัทธาดีก็หมายความว่าเริ่มต้นมันเป็นตัวช่วยให้ประสานให้มาพบกันแน่อย่างน้อยเขาจะได้มีทางมาเดินหน้าได้ด้วยการมามีจุดนัดพบมีจุดพบปะเอาและไอตัวศรัทธาเรียกมาให้มาพบปะกันจากนี้ก็มีโอกาสแนะนําสั่งสอนหรือใช้วิธีแบบอย่างอะไรแต่อะไรเนี้ยที่ดี ใช้วิธีทางจิตใจก่อนทางปัญญาก็อาศัยด้านจิตใจนะด้วยเพื่อให้สภาพจิตใจมันพร้อมขึ้นหนุนแต่ตอนแรกก็หมายความว่าผู้สอนนี่ก็ต้องดูตัวเองว่ายัางไม่พร้อมหรือแม้แต่พร้อมแต่เขาไม่พร้อมคือมันอัตราส่วนมันสัมผัสทั้งฝ่ายผู้สอนทั้งฝ่ายผู้ฟังจะมาผู้ฟังก็มีปัญญาสูงบ้างมีปัญญาต่ําบ้างไม่พร้อมมั้มีอินทรีย์แก่กล้าแตกต่างกันผู้สอนก็แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นมันจึงมีไอ้วิธีการที่ต้องยืดหยุ่นมากมายเหลือเกินแม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพระศ า, าสดาเก่งขนาดนั้นนะก็ยังต้องมีวิธีปฏิบัติต่อผู้ที่เขรียกว่าเวไนยเนะี่ยมากมายเหลือเกินพระุทธเจ้าจะต้องมีความสามารถที่รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลนี่นี่เป็นด้านหนึ่งของความสามารถนะความสามารถหลายอย่างด้านหนึ่งก็คือรู้ความแตกต่างระง บ, บุคคลและรู้ความแตกต่างสองด้าน สองแง่คือรู้ความแตกต่างแนวตั้งและรู้จักความแตกต่างแนวนอนแนวตั้งเป็นยังไงแนวตั้งก็คือระดับการพัฒนาของเขาถ้าเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันนปัญญามากปัญญาน้อยสติมากสติน้อยสมาธิมากสมาธิน้อยอะไรเนี่ยอ่อนแก่กว่ากันแล้วก็ความแตกต่างแนวนอนก็คือแม้แต่คนที่อยู่ในระดับการพัฒนาไออินทรีย์เท่ากันเนี่ย มีแนวโน้มมีความสนใจมีพื้นเพภูมหลังอะต่างๆแตกต่างกันพระเจ้าจะต้องมีความสามารถรู้ทั้งสองอย่างจึงจะสอนได้ดีเอาละนี้ก็คือหมายความว่านี่เป็นเรื่องรายละเอียดที่ทำให้มันมีการดูเหมือนว่ายืดหยุ่นมากมายนะการรวมความก็คือมีความปรารถนาดีต่อเขาและตัวเองต้องรู้หลักอันนี้ก็ขอสำคัญนี่ก็ปรารถนาดีก็หาทางให้เขาทีนี้ตอนแรกก็ เมื่อยังไม่ได้ทางปัญญาก็ให้ได้ทางจิตใจเพราะจิตใจเขาสร้างสภาพจิตให้มันดีขึ้นแล้วก็ให้เปิดทางแก่ปัญญาตอนนี้ก็คือศรัทธาเนี่ยมันเป็นตัวประสานทําให้เขามาหาเมื่อศรัทธามาหาแล้วศรัทธานี่จะเกื้อหนุนปัญญายัางไงบ้างหนึ่งก็คือทําให้มาจับจุดใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปสอนพอพูดปั๊บ ผลนันเขาได้ยินนี่พระพุทธเจ้าหรือพระองค์นี้ท่านสมณะผู้นี้ยท่านเท่าที่ท่านพูดเท่าเท่ า, ท, า, ท, าที่เรามีปัญญารู้เข้าใจนี่ม่เหตุผลในหน้าฟังเป็นความจริงอย่างที่ท่านว่าเอาเท่าที่เรารู้ก่นนะอนเกิดศรัทธาแล้วนะเกิดศรัทธาก็ทําให้เข้าหาอันนี้มันจุดกระจบทําให้สามารถก้าวต่อนี้มันก็จับจุดแหละทีนี้มันมีจุดที่จะจับว่าสิ่งที่ฟังเนี่ย น่าสนใจของนี้แล้วะจะต้องศึกษาต่อไปี่จับจุดแล้วพอว่าเชื่อว่าไอ้ที่ท่านสอนนี้จริงมันจะนำไปสู่ความจริงเขานี้เกิดแรงเกิดพลังโอ้เราจะต้องศึกษาเอาจริงอาจังจะต้องคอยฟังเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ศรัทธาก็ทำให้เกิดพลังจับจุดมุ่งแน่วไปสู่จุดหมายมีพลังอันนี้ก็คือนาทีของศรัทธาศรัทธาก็พาเดินหน้าไป แล้วก็มุ่งไปสู่จุดหมายก็คือสิ่งที่จะให้รู้ให้เข้าใจให้มันชัดเจนนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ชัดพอได้จุดนี้แล้วถ้าอยู่กับพระสัสดาหรือครูอาจารย์ท่านก็ได้โอกาสที่จะแนะนำสรรสอนก็เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นศรัทธา น, นี่นก็แรงขึ้นเอาจริงเอาจังขยันฟังให้มันรู้อ่านให้มันชัดอะไรอย่างเี้ย จนกระทั่งในที่สุก็เกิดปัญญารู้คดใจศรัทธาก็หมดนาทีพระเจ้าตรันว่าพอรู้เกิดปัญญาสมบูรณ์แลเนี่ยศรัทธาก็หมดนาทีท้าเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องอาศัยศรัทธาต่อไปอ น, นั้นเวลาใช้นศัพ์บาลีเนี่ยท่านจะใช้ศัพท์เดียวกันใช้สัพท์ที่แปลเป็นทไทยก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นว่ามีต่ําสุดกับสูงสุดไม่มีศรัทธาก็คือ ไม่เชื่อไม่มีอะไรไม่มีหลักไม่มียึดอะไรเลยไม่เอาเรื่อง Darwin, เอาราวอะไรยไม่มีศรัทธานี่อย่างเงี้ยก็คืออีกคนหนึ่งที่ว่าบรรลุจุดหมายแล้วก็ไม่มีศรัทธาเพราะว่าเข้าใจเองอย่างที่เล่าไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถามวสารีบุตรว่าหลักการอันนี้เป็นอย่างงี้เรื่องราวงี้เป็นนี้จริงไหมสภาวะทางด้านนามธรรมอย่างนี้เป็นนี้จริงไหม ภาษารี่บุตร บ, บอกว่าจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นจริงในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัดถามว่าสาริบุตรที่เธอว่าอย่างเงี้ยว่าเพราะว่าเชื่อเราหรือยังไงภาษารี่บุตร บ, บอกไม่ใช่อ้าวแล้วเป็นไงก็เพราะว่าข้าพระองค์รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่พระองค์ตรัส น, นี่คือเขาคุณสมบัติของพระอรหันนะพระอรหันท่านมีคุณสมบัติที่แปลไอ้ภาษาบาลีใช้คาว่าอัศโทแปลผู้ไม่มีศรัทธา อ้าวกลายไปว่าเอ๊ะทำไมว่าอย่างนี้ล่ะต้องแปลซะใหม่าแปลเป็นไทยแต่ว่าผู้ไม่ต้องอาศัยศรัทธาคือมีความรู้เข้าใจได้ตนเองแล้วศรัทธานั้นไวในระหว่าง เ, เป็นตัวที่ช่วยให้ก้าวหน้าพัฒนาไปสุดเปนนี้ามีท่านผู้หนึ่งอุปมาไว้ดีมากอุปมาไว้ว่ า, วาอ้าวผมกำมือนี้ แล้วผมก็บอกว่าท่านเชื่อไหมในมือผมเนี่ยมีมะขามป้อมลูกหนึ่งเอาละทีท่านไม่เห็นใช่ไหมเออไม่เห็นเนี่ยท่านเชื่อไหมปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะยังไม่เห็นจริงเนี่ยนะเมื่อไม่เห็นจริงปัญหาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เกิดขึ้นอันนี้ถามหลายท่านก็อาจจะต่างๆกันองคหนึ่งก็คิดสิก็นึกวท่านเป็นนี้เป็นพระก็ต้องเชื่อจริงก็บอกเลยว่าเชื่อนะ อีกองหนึ่งก็ อ, อ, อย่างงั้นไม่มีเหตุผลต้องมีเหตุผลว่าท่านองค์เนี้มือของท่านนี่มันก็ขนาดมะขาป้อมนี่มันกำกันได้ไหมอ๋อมันอยู่ได้แล้วก็เมื่อกขี้ท่านเดินไปไหนมาไหนมันมีอาการที่บ่งแสดงหรือในสถานที่นี้เป็นไปได้ที่จะมีมะขาป้อมไหมอะไรเนี่ยคิดต่างๆนะหมายความว่าพิจรารณาเรื่องราวมากมายในที่สุดก็จะได้คําสรุปออกมาว่า เชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมฮะและอีกท่านก็อาจจะบอกไม่เชื่อก็แล้วแต่คือพิจารณากันต่างๆ แ, แต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระดับที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อพอผมแ บ, บมือปั๊บอย่างนี้ท่านก็ไม่รืมไม่มีเรื่องเชื่อไม่เชื่อเลยใช่ไหมมันไม่ต้องพูดแล้วเรื่องเชื่อไม่เชื่อเพราะมันเห็นได้ตนเองนี่คือความแตกต่างระหว่างศรัทธากับปัญญาปราบใดที่ยังไม่รู้เห็นชัดแจ้งด้วยตนเองก็ยังต้องมีปัญหาเรื่องศรัทธา ศรัทานี้ต้องขึ้นต่อผู้อื่นหรือขึ้นต่อสิ่งอื่นขึ้นต่ออะไรอย่างหนึ่งแต่ถ้าปัญญาก็เป็นอิสระเลยนะปัญญานี่ท่านถือว่าเป็นตัวปลดปล่อยทําให้เป็นอิสระในหลายแง่เลยนะปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยญญเพราจฉะนั้นจริงเป็นตัวนําไปสู่วิมุตินะในพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุติค้นหลุดพ้นเป็นอิสระท่านสิริปุญโญกอรย์ตาบอะไรเอจะสามารถมีปัญญาโดยไม่มีศราได้นะคะ อ๋อก็อันนั้นก็คือโยนิสมรสิการหมายความว่าเพราะศรัทธานี้ปกติจะเป็นความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ต้องอาศัยศรัทธาเราจะเชื่อไหมจะฟังเขาไหมถ้าเราศรัทธาแล้วก็ฟังเขาต่อไปอยากฟังยิ่งขึ้นเป็นต้นแต่นี้ถ้าเรามีโยนิสมรสิการของตอนเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างไว้เลยนะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกาพะพุทธเจ้าก็คือตัวอย่างของคนที่ไม่ต้องอาศัยผู้อื่น มีความสามารถใช้โยนิสงสิธิการพิจารณาคิดได้ตนเอง น, น, นี่คือการเป็นอิสระจากศรัทธาศรัทธาก็จะผูกพันกับหลักการที่เรียกว่ากัลยาณมิตรก็คือหาตัวหลักที่จะมีศรัทธาที่ดีมาให้เพื่อจะให้คนที่เราไปศรัทธานเนี่ยทำงานต่อเราช่วยเราได้ผลดีที่สุดก็เลยเอาหลักกัลยาณมิตรมาก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือเราต้องการทางจิตใจให้มีศรัทธา เือให้เป็นตัวเชื่อมระหว่างบุคคลที่เป็นเวไหนยหรือผู้รับฟังกับตัวผู้สอนแล้วก็ทําให้เขามีกําลังที่จะโยงเข้าไปสู่การที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปแต่ถ้าศรัทธามันไม่ถูกต้องมันง ม, มงายใช่ไหมมันก็เชื่อไม่มีเหตุมีผลเป็นต้นมันก็กลายเป็นตัวขัดขวางปัญญาหรือเชื่อศรัทธาแบบบังคับสงสัยไม่ได้ อย่างนี้ก็จบกันพระพุทธเจา้าให้พิสูจน์ศาสดาเลยเพราะว่าก็มีคนที่มาในลักษณะต่างๆพระพุทธเจา้าไม่ไปบอกใครว่าจะต้องเชื่อฉันพระอบอกก็มีวิธีในการในการพิสูจน์สดาท่านก็พิจารณาเอาว่าดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเนี่ยือพระพุทธเจา้าจะไม่มีการบอกให้ใครเชื่อให้พิจารณาด้วยตนเองแม้แต่พิสูจน์สดาเอาละทีนี้ก็มาเรื่องจิตใจต่อ ในทางจิตใจก็มีศรัทธาเป็นตัวที่จะผูกพันที่จะนำไปสู่ปัญญาแล้วก็เมื่อมันทำหน้าที่หมดแล้วมันก็เป็นอันหมดไปก็มีปัญญามาแทนทีนี้ว่านอกจากศรัทธาแล้วก็สภาพจิตอื่นก็มาความเบิกบานพองสความสบายใจเลยอะไรความชื่นใจเลยในะความสุขก็เป็นสิ่งที่ต้องช่วยเขาด้วยทีนี้ว่าในระหว่างที่ปัญญายังไม่มาเนี่ย ก็ต้องทำยังไงให้ทางจิตใจเนี่ยเขาได้ไปสู่ทางที่ถูกต้องก็อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นยังมีความเชื่อในเรื่องแม้แต่พระธรรมตรายมีความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เราปลอดภัยอะไร ต, ต่างๆเนี่ยวิธีที่จะดูว่ายัางใช้ได้ไหมก็มาดูที่หลักธรรมนี่แหละง่ายที่สุดถ้าความเชื่อนั้นเป็นเหตุให้รอผลโดนบันดาลหวังผลจากการอ้อนวอน แล้วไม่กระทําการในความเพียรผิดหลักแต่ถ้าเชื่อแล้วทําให้ยิ่งมีกําลังใจกระทาการเข้มแข็งมันง่นคงเอาจริงอาจารย์ิ่งขึ้นอย่างนี้พอไปได้ใช่ไหมมันไม่ผิดหลักกรรมใ น, นคนที่เชื่อเนี่ยในทางพระศาสนาท่านสอนเนีท่านจะระวังมากอันนี้คือพระรรมจันไตใจคงครองหมายความคนเราเนี่ยมันหวาดวัน่นว่าระแวงจะทําอะไรก็ไม่มั่นใจกลัวนูนกลัว น, นี้เออน่นจะมาอย่างนั้น ก็อะไรให้มันมั่นใจแล้วจะได้ทําการนั้นจริงๆท่านเอาจุดนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีอย่างภกปริภพก็ภพปริภพก็แล้วคุ้มครองป้องกันอย่ามุ่งไปที่ป้องกันคุณพระเจ้นานัดใจก็คุ้มครองป้องกันคือทําให้เกิดความอบอุ่นใจมั่นใจใช่ไหมแม้แต่เราอยู่กับผู้ใหญ่ถ้าอยู่ได้ถูกต้องก็เกิดความอบอุ่นมั่นใจอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีอบอุ่นมั่นใจแล้วมีกําลังใจทําการต่างๆ แต่ไม่ใช่ไปหวังผลจากท่านให้ท่านทําให้ถ้าไปหวังผ ล, มาลาเมื่อไหร่แปลว่าผิดเรียกว่าตกจากพุทธศาสนาดังนั้นท่านเอาหลักนี้ไปใช้ได้เลยนั้นแม้แต่ความเชื่อแม้แต่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เราก็ยังไม่ว่าเขาใช่ไหมฮะขออย่าให้มันไปหวังผลดนบันดาลอ้อนวอนให้ท่านทําให้ก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเลยทีนี้พวกที่ไปขูดเลข ไปบนบานอะไรพวกนี้เป็นแบบไหนล่ะมันไปเลื่อนลอยซะมากนะไปขูดเลก ข, ขูดเฮเจนะอะไรเนี่ยหวังผลเลื่อนลอยมันไม่มีอะไรมันไม่มันไม่มีหลักที่ว่าจะทําอะไรแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าไม่ให้ใจวอกแวกไม่ให้หวาดเราแวงก็คือหมดความกลัวจากสิ่งอื่นจะได้ตั้งหนา้าตั้งตาทำอ น, นั้นได้อย่างเงี้ยใช้ได้แต่้นก็ให้พระราจนตรัยมาคุ้มครองทําให้จิตใจมีความเข้มแข็งอบอุ่น นั่นในระดับนี่ท่านจะยอมแล้วเมื่อเขาเข้มแข็งขึ้นไปแล้วเขาก็พึ่งตนเองได้ก็หมายความจุดหมายของเราก็คือให้เขาพัฒนาตัวได้ทําการด้วยความเพียรถูกหลักเหตุปัจจัยถูกหลักกรรมแล้วเขาได้พัฒนาตัวเองอย่าให้ขัดหลักตัอีกหลักก็คือหลักการพัฒนาตนคือหลักศิบขาเพราะถ้าเขาไม่ทําเขาหวังผลโดนบันดาลเขาก็ไม่มีทางพัฒนาตัวเองอันนั้นหลักแค่นี้มันก็โยงไปหาหลายหลักเลยนะหลักกรรม าการกระทำให้สำเร็จด้วยความเพนยรพยายามของตนแล้วก็หลักหน้าหลักศิกขาการฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็ลึกข้ไปก็หลักเหตุปัจจัยพอจะเห็นนะฮะท่า น, นคนุณอาจารย์ครับคือพอเราผ่านจากศรัทธามาแล้วเรามีปัญญาแล้วเนี่ยการมีปัญญาแต่ว่าเรารู้หลักว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่การปฏิบัติให้มัน เชื่อมโยงกับปัญญาเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ในการกระทำครับบางทางเช่นเรารู้ว่าซื้อหวยไม่ดีแต่เราก็ยังปฏิบัติอยู่หรือรู้ว่าทําสิ่ง น, นี้ไม่ดีโกหกไม่ดีเราก็ยังทําอยู่หรือเรื่องของการกินกันแล้วแต่บางทีเรารู้ว่ากินของมันมันไม่ดีแต่เราก็ยังกินอยู่ด้วยความที่ว่าเราจะมีวิธี ปฏิบ <mile> ัติยังไงก็นี่แหละต้องตั้งจิตสํานึกในการฝึกตนก็คือศิกขาเนี่ยต้องมีคือพุทธศาสนามองหลักการใหญ่ก็คือฝึกตนเราเป็นมนุษย์จะเอาดีได้ต้องฝึกตนไหนก็อย่าไปยอมนีอย่าไปยอมแก่ยอมแพ้แก่ไอ้จิตใจแม้แต่จิตใจตัวเองที่มันไปเอาตามชอบใจไม่ชอบใจคือจิตใจมนุษย์เนี่ยมันมี ด้านหนึ่งก็คือไปตามชอบใจไม่ชอบใจและก็อีกด้านหนึ่งก็คือไปตามที่ความถูกต้องสมควรหรือทางปัญญาการที่ปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันจะเป็นผลดีอย่างไรอย่างไรนีมนุษย์เนี่ยมันจะโน้มเอียงไปทางความรู้สึกด้านชอบใจไม่ชอบใจที่ี้ด้านความรู้คือปัญญาเนี่ยมันบางทีหลังไม่ไหวนะด้านรู้สึกกับด้านรู้เนี่ย ไอ้ด้านสองด้านเนี่ยมันเถียงกันอยู่เรื่อยไอ้ด้านรู้สึกมันมาก่อนเรามันมักจะมีกําลังแรงนี้ถ้าเราไม่หัดฝึกตนเองเนี่ยเราจะตกไปตามกระแสด้านความรู้สึกตัวหลักก็คือชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันจะชักจูงไปก็คือทําอะไรตามชอบใจไม่ชอบใจเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองเมื่อเรารู้หลักนี้แล้วเราก็ต้องเข้าสู่ทางของความรู้ก็คือทางเขาปัญญาซึ่งเป็นทางของการฝึกตนเราก็ต้องสร้างจิตสํานึกในการฝึกตน ให้มันหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆสำทับมันนะว่าเป็นมนุษย์จะเอาดีได้ต้องฝึกตนเมื่อเราฝึกตนพัฒนาตนเราก็ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นเลยเนี่ยนะแล้วก็การพัฒนาตนดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของเรานะเราจะต้องพัฒนาตนอยู่เสมอบางทีเราก็ไปเจอสถานการณ์ที่ยากสถานการณ์ที่ยากเราก็รู้หลักอีกแหละอะไรที่มันยาก เราก็ยิ่งได้ฝึกตนเองมากจริงไหมอะไรที่ง่ายเราก็ได้ฝึกตัวเองน้อยแต่มันง่ายแล้วแมมันก็ยังไม่ทันต้องคิดมากยังไม่ทันต้องใช้ทักษะไอฝึกมือฝึกเท้าหรืออะไรมากความเพียรพยายามก็ไม่มากแต่ถ้าอะไรมันยากเราิึงต้องใช้ความเพียรควาสติสมาธิใช้ปัญญาอะไรตอนอะไรมากยิ่งยากยิ่งได้มากกว่างั้นเพราะฉะนั้นเจออะไรยากก็ต้อง มองในแง่ดีเลยได้ประโยชน์จะมาอย่าไปทุกเจอของยากจะมาเจอปัญหายากเจอเรื่องยากเจองานยากก็ต้องบอกว่าเอ้ยไอ้นี่จริงยากจริงได้มากจริงไม่จริงล่ะนะจริงยากจริงได้มากนี่เป็นคติสําหรับนักฝึกตนนะแล้วก็ทําให้มีสุขภาพจิตดีด้วยเพราะนั้นไงงั้นเราคนไปเจออะไรยากก็ทุกและทอร์ใช่ไหมใจคอหอ่อเหี่ยวโหดผูกไม่สบาย จิตใจก็ไม่ดีคุณสุขภาพจิตก็เสียแล้วเสร็จแล้วยังทำไม่ได้ผลอีกด้วยเพราะว่าไม่ท้อใจไม่เต็มใจทำาืูใจทาก็ทำไม่ได้ดีสิพอเราตั้งจิตถูกว่าเอองานที่ยากก็เรายิ่งยากก็ยิงได้มากสิใช่ไหมไ อ, อ้ตอนนี้เราจะได้ฝึกเต็มที่เลยอ้าวลับกันเลยนะหันข้าหาเลยใช่ตอนที่ใจดีเลยใช่ไหมออมีความสุขที่จะทำสิ่งนั้น สุขภาพจิตกด็ดีแล้วก็เต็มใจทําก็ทําได้ผลเลยใช่ไหมคะขนั้นนี้ก็เป็นเรื่องโยนิสมฆราชิการอีกเลยใช่ไหมโยนิสมฆราชการใช้ได้ทุกเรื่องอะแต่ว่ามันเอาไอ้หลักการฝึกตนมาใช้คือโยนิสมฆราชการเนี่ยไปโยงเอาหลักฝึกตนมาก็เรื่องฝึกตนนี่ต้องเป็นจิตสํานึกสามวันของมนุษย์ทีนี้เวลานี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือการศึกษาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้มาที่แกนตัวนี้เลยใช่ไหมบางทีมันกลายไปว่าการศึกษานี่เป็นการที่คือมันเข้าใจเขวหรือเพี้ยนไปจนกระทั่งว่าครูเนี้จะต้องมาจัดบริการเหมือนกับมาบริการนักเรียนให้เขาชอบใจแล้วจึงเรียนมันไม่ไปสร้างคุณสมบัติปัจจัยภายในคือมันจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกครูนี้เป็นปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกที่เก่งก็คือเป็นปัจจัยภายนอกที่สามารถไปทำให้เกิดปัจจัยภายในในตัวเขาไม่ใช่เป็นปัจจัยภายนอกที่ไปช่วยสร้างบริกา ร, ร ผ, มผมเรียกว่าระบบจัดตั้งนใช่ว่าเรียนอย่างสนุกให้นักเรียนเป็นสุขเนี่ยมันเป็นค ำ, คำกากูมแล้วดีไม่ดีผิดบางทีครูก็เลยไปเข้าใจผิดอ๋อเรียนอย่างเป็นสุขสนุกแม้ครูต้องหาทางมาจัด สถานการณ์ให้มันสนุกอะไรแต่ไรจนกระทั่งเด็กเคยตัวทีนี้มันก็กลายเป็นความสุขจัดตั้งคหนึ่งก็คือในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีใครมาจัดตั้งให้นักเรียนจะต้องไปเจอสถานการณ์ที่มันมีสุขบ้างทุกบ้างน่าชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเขาจะต้องไปเจอและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกด้วยตนเองแล้วมีความสามารถที่จะปฏิบัติจัดการถูกไหมเราจะต้องฝึกอันนี้เขาไม่ใช่มาจัดตั้งให้เขา นะอย่างงี้มันก็จบกับสิการศึกษาสองก็คือว่าพอไม่ได้สุขจัดตั้งอย่างงี้แล้วทีนี้กลายเป็นคนทุกข์ง่ายเลยเรียนไม่ได้แล้วไอการที่จัดให้การเรียนการสอนสนุกนี่มันเป็นวิธีที่ดีหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้จิตของเด็กเนี่ยโน้มมาสู่การเล่าเรียนและเข้าใจได้ง่ายมีความพร้อมที่จะเรียนมีความสนใจมีสมาธิมากขึ้น แต่ว่ามันจะได้ผลจริงต่อเมื่อมันไปทำให้เกิดปัจจัยภายในก็คือคุณสมบัติในใจของเด็กเช่นเกิดความใฝ่รู้ใช่ว่าเราอยากให้เรียนเรื่องนี้ตอนแรกเราให้สนุกก่อนต่อมาเด็กอยากรู้เรื่องนี้ขึ้นมาจริงนั่นแหละได้แหลเพราะเด็กเกิดความใฝ่รู้อยากรู้ทีนี้นะเขามีปัจจัยภายในแล้วนะต่อไปเขามีความสุขเองโดยครูไม่ต้องมาจัดตั้งแล้วเด็กอยากจะไปเรียนเรื่องนี้แม้แต่มันยาก จะต้องไปขุดค้นไปหายากเหลือเกินเนี่ยมันอยากทำเองแล้วมันมีความสุขในการค้นคว้าหาเองเลยใชย่ตอนนี้สิครับการศึกษาเป็นความสุขในตัวเองเลยนไม่ต้องไปกลัวยากแล้วตอนเนี้ยเด็กมันมีไอ้ปัจจัยภายในคือความใฝ่รู้แล้วไอ้ตัวนั้นคือปัจจัยของความสุขที่แท้ไม่ใช่การจัดตั้งของครูอันี้ไปจัดตั้งอย่างนี้ก็ไม่มีไ ม, ไม่ไปไหนแล้วเด็กไม่พัฒนา นั้นจะต้องรู้ว่าไอเราเป็นแค่ปัจจัยภายนอกไปจัดเตรียมเบื้องต้นแล้วหาทางโยงให้เข้าปัจจัยภายในให้ได้ก็อย่างเนี้ยเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องว่าเรามีคนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมากมายเนี่ยเราก็ใช้ระบบศรัทธาเพื่อให้ระบบศรัทธาได้ผลเราก็จัดตั้งคนที่เป็นนักสรหรือคนที่มีคุณสมบัตดิดีๆมา้าเรียกว่าเป็นระบบการยานามิตร เป็นคนที่ดีเป็นคนมีเมตตาบุคลิกดีเข้ากับนักเรียนเข้ากับอะไรแต่ไรได้นะแล้วก็มีความสามารถในการสอนมีปัญญารู้หลักก็เอาคนนี้มาประสานกับตัวผู้เรียนแล้วก็เป็นทางเดินให้เขาพัฒนาตัวได้ใช่ไห ม, ก, าามกัมลยาณมิตรก็ทำแล้วทีนี้แต่ว่าต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกและจะต้องไปทําให้เกิดปัจจัยภายในในตัวเขาให้ได้ ปัจจายภายในเช่นความไฝ่รู้เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถสร้างความสุขได้ตนเองเขาจะไปไหนเขาอยู่ในโลกเขาปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆได้เดวตนเองแล้วหาความมีความสุขได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอความสุขจัดตั้ง <c oughs> นี่ตอนนี้มันกำลังจะบางทีก็เขวเพราะว่าไม่ได้ทำความเข้าใจกให้ชัดเจนจเรียกว่าชายเซ็นเตอร์เอนจูเกชันบางทีเข้าใจไปอย่างนี้ก็มีนะถึงขนาดนี้เลย ออกลายเป็นครูเป็นผู้บริการหาทางเอ า, เอาใจนักเรียนให้นักเรียนต้องสนุกสนานให้ได้ใช่ไหมมันไปคิดแค่นั้นก็ไม่ไหวแล้วการศึกษาไม่เกิดแล้วการศึกษาก็คือการฝึกตัวของคนนั้นคนนั้นจะต้องพัฒนาขึ้นมาอ้าวนี่ก็เลยว่ากันเรื่อยเปื่อยนะพูดไปเรื่อยรื่นี่มนฮะอย่างนี้พอจะเรียกว่าสอนวิธีการจับปลาโดยที่ไม่ใช่ว่าสอน ไปป้อนปลาให้ให้เด็กครับ<ช>ก็ <ไป S 1> ก็จะว่างนั้นก็ได้ อ, อก็ต้องให้เด็กรู้จักทำด้วยตนเองได้สิใช่ไมอะอ่และแม้แต่ความสุขก็ต้องให้สามารถสร้างความสุขด้วยตนเองไม่ใช่ขึ้นต่อความสุขจากภายนอกอ่ดีเรืความสุขจัด่างเพราะนั้นคนที่พัฒนาแม้แต่ได้ด้านความสุขเนี่ยความสุขก็จะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้น บางท่านวันก่อนผู้สนใจเรื่องความสุขใช่ไหมเนี่ยความสุขก็เป็นเรื่องใหญ่เลยได้เรียนได้ฟังกันบ้างอย่างเรื่องความสุขในพุทธศาสนาในฟังเอ็พสามที่พ อ, อฟังแล้วเรื่องอะไรไม่รู้ฮะสุขข้างนอกสุขข้างหน้าสุขแต่สุขที่แท้อยู่ข้างในอยู่ข้างในเนี่ยพอฟังไปแล้วก็เนี่ยก็เรื่องความสุขก็เรื่องใหญ่ทีนี้คนภายนอกเนี่ยจะมาสะดุดว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องทุก อย่างเราไปอ่านตำราฝรั่งอย่างพวกตำราที่ต้องเขียนสรุปให้สั้นเนี่ยพอพุทธศาสนาคืออะไรเนี่ยอย่างพวกเอ็นไซคลปีเดียเนี่ยมักจะเอาเลยใช่เช่นว่าถ้าเป็นเอ็นไซคลปีเดียที่เขียนสั้นๆ น, นะฮะก็จะบอกว่าบุ d d h i s ซมแล้วก็จะบอกว่าเป็นศาสนาที่สอนว่า life suffering <laughs> ว่างั้นใช่ไหมอะไรทอนนองเนี่ยหรือว่าไงก็อะไร suffering is inherent in life อะไรตอนนองเนี่ย แล้วในทุกวันนี้เขาก็ยังมีความเชื่อเซนซีนีปะในพวกกลังหรือว่าเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็มีดีขึ้นบ้างนะถ้าเทียบกับยุคก่อนเท่าที่ผมสังเกตนะดีขึ้นบ้างเพราะว่ามีการอธิบายอย่างเรียกว่ามีขั้นมีตอนมากขึ้นหรือว่ามีการเชื่อมโยงไปสู่หลักการมากขึ้นไม่ใช่พูด ล, ลอยๆสมัยก่อนนี่บางทีก็เอาแค่นั้นแหละนี่เราก็ต้อง ยอมให้โอกาสเขามากันเราต้องเข้าใจเขาเพราะไอ้เรื่องนี้มันก็เข้าใจยากแม้แต่ชาวพุทธเองคนไทยเองนี่แหละไม่ต้องไปคนหลังใช่ไหมก็ยังมองพุทธศาสนาเข้าใจไม่ถูกแยกไม่ถูกแล้วก็แม้แต่ผู้สอนเองผู้สอนแม้แต่สอนชั้นสูงก็ไปเน้นแต่เรื่องทุกข์มากอันนี้ถ้าจับจุดไม่ได้แยกแยะไม่ถูกอะไรจำแนกไม่ตรงที่มันก็ทําให้วุ่นสับสน นี่พุทธศาสนานี่ถ้าวาเวลาเป็นศาสนาแห่งความสุขเลยนะีผมเคยเขียนไว้ไม่ทราบท่านอ่านกันบางอย่างทุกสําเร็จเห็นสุขสําหรับเป็นแหละคือถ้าเราดูฝรั่งฝรั่งดูจากหนังสือก็จะบอกว่าพุทธศาสนานี่แม้สอนเรื่องทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์แต่ถ้ามาเจอชีวิตคนในเชิงปฏิบัติก็จะเห็นว่าในเมืองพุทธนี่มีแต่ความสุขใช่ไหม มันเหมือนกับขัดแย้งกันในตัวแต่ที่จริงมันเรื่องเดียวกันแต่ต้องแยกแยะให้เป็นแค่หลักถ้าดูเป็นมันก็ง่ายแหละพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่เนี่ยนี้ถ้าเราไปเน้นข้อที่หนึ่งเพราะมันเริ่มต้นเลยใช่ไหมอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งทุกเช่นฝรั่งไปจับพระพุทธศาสนาสอนอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกแกก็ life เอาไลฟ์ปิ f ซาฟูริงหรืออะไรก็ว่าไปก็จบ ถ้า แ, แกไม่ก้าวต่อไปทีนี้ถ้าเกิดตอบด้วยอริยสัจข้ออื่นเช่นตอบด้วยข้อสี่นิโรธนี่ก็จะเขียนใหม่ก็เขียนบอกว่าพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์นั้นแก้ไขได้แนจะพูดอย่างนี้เลยนะถ้าถ้าเป็นนิโรธมันจะตอบไปอีกอย่างก็คือเขาไม่ได้พูดให้จบอริยสัจสี่อันนี้เป็นแง่นหนึ่งแต่ไม่ต้องไปถึงแค่นั้นหรอกเอาแค่ทุกข์นี่แหละข้อเดียวข้อทุกข์ข้อเดียวเท่านี้ก็พอ พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดแล้วไม่ได้ทิ้งลอยๆไว้จะตัดต่อว่าทุกขังปริน ย, ยังคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคและพระองค์ก็ตัดหน้าที่ต่อทุกสมุทัยนิโรธมรรคด้วยท่านเรียกว่ากิดต่อยิสัตหมายความว่าวางขีดไว้แล้วไม่ให้ผิดพลาดกิจก็คือหน้าที่ของเราเราต้องปฏิบัติต่อยิสัต์ให้ถูกถ้าปฏิบัติผิดนะไม่เป็นไปตามนี้ ก, ก็แสดงไม่ใช่หลักพุทธศาสนา ทุกขางปริญญาอย่างหมายว่าหน้าที่หรือกิจต่อเอเสตัตข้อทุกคืออะไรคือปริญญาปริญญาก็คือรู้มันตามเป็นจริงรู้เข้าใจมันก็หมายควาทุกเนี่ยเป็นเรื่องสําหรับปัญญารู้ความจริงอะทุกก็คือสิ่งที่มันไม่น่าพึงพอใจมันบีบขั้นมันเป็นสภาวะที่ขัดข้องติดขัดทั้งหลายซึ่งมันมีในชีวิตมนุษย์มีในทุกสิ่งล้อมรอบตัวเราที่ชีวิตจะต้องเผชิญอัหนึ่งก็คือพุทธศาสนาว่าถ้าเราจะ ถ้าเราต้องการมีความสุขเนี่ยเราจะต้องไม่หลีกไม่หนีความทุกข์ไม่ไม่หนีที่จ ะ, ะเผชิญหน้ามันสองก็คือกา ร, รเผชิญหน้ามันต้องเผชิญด้วยความรู้ปฏิบัติต่อมันด้วยความรู้ปริญญารู้เข้าใจมันก็เหมือนกับคนจะแก้ปัญหาเนี่ยจะหนีปัญหาทําไมจะหนีปัญหาก็ไม่รู้จะจบใช่ไหม ก็แก้ปัญหาจะ แ, แก้ยังไงก็ต้องรู้ปัญหาก่อนเริ่มต้นกล้ทุกก็คือปัญหานี่แหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ต่อทุกก็คือปริญญาแปลว่ารู้เข้าใจเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกนะพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนว่าเราให้เราเป็นทุกขถ้าใครเป็นทุก <c oughs> จะแสดงว่าปฏิบัติผิดต่อพุทธศาสนานะหน้าที่ต่อทุกคือรู้เข้าใจยิ่งเรารู้เข้าใจทุกเท่าไรเรายิ่งแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นเชื่อไหม เพราะฉนั้นถ้ามีปัญหามีความติดขัดมีอะไรก็แล้วที่เรียกว่าทุกเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจแล้วต่อจากนั้นก็รู้เข้าใจแล้วก็สืบสาวหาเหตุปจัจจัยของมันแล้วก็มองกําหนดจุดหมายความเป็นไปได้ในการแก้ไขแล้วต่อจากนั้นก็ปฏิบัติการวางวิธีปฏิบัติว่าจําไรจะแก้ได้แต่ว่าให้จําไว้ชัดๆเลยคือว่าถ้าจะพูดถึงอริยสัจอย่าลืมพูดถึงหน้าที่ต่ออริยสัจหรือกิจต่ออริยสัจ หน้าที่ต่อทุกก็คือปริญญารู้เข้าใจเราเอาคำว่าปริญญามาใช้ในการสําเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษานีทั้งปริญญาตรีโทเองก็แสดงว่าเราเรียนเรื่องทุกเนี่ยจะมเพราะอาจารย์บอกว่าทุกสําหรับปริญญาใช่ไหมเราเรียนกราเรียนเรื่องทุกหมดเลยนะแต่ขอให้เข้าใจจริงๆแล้วเราจะแก้ได้จริงๆก็เป็นคําบาลีแท้ๆเลยปริญญา และที่อื่นพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสไว้อีกเห็นว่าอ้าวเลยจะพูดไหลสมองหายไปเจยๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้บ่อยนะฮะอ้าใครมองเห็นนิพพานเป็นทุกผู้นั้นไม่มีทางประสบความสําเร็จด้วยกันเนะีนะ่ยก็ต้องถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขจึงจะมีทางประสบความสําเร็จในการปฏิบัติธรรมและในพระสูตรหนึ่งตัดวิธีปฏิบัติต่อทุกไว้สี่อย่างอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเอามาใช้ได้ทั่วไป วิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขและทุกข์หนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์บางคนเนี่ยเอาหาทุกข์มาใส่ตัวก็อ่านพูดอย่างนี้ก็คือหนึ่งอย่าหาทุกข์ใส่ตัวโดยไม่จําเป็นโดยโดยไม่มีไม่ทางตานที่ไม่มีทุกข์อยู่เช่นบางคนนั่งอยู่เงียบๆก็นั่งกรุบอกกรุบใจเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วขัดหูขัดตามันนั่งคิดปรุมแต่งเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านเรียกว่าหาทุกข์ใส่ตัวเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่เป็นทุกข์ เป็นกันเยอะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ไม่ควรจะเป็นทุกข์ก็เอาทุกข์มาใส่นี่หนึ่งท่านบอกว่าไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่มันเป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เนี่ยไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำมันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นท่านไม่ว่าไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบโมเมา ไม่ลุ่มหลงสยบมัวเมาถ้าสยบโมเมาปั๊บติดในสุขแม้แต่สุขในการปฏิบัติทำได้สมาธิอะไรแต่รัติดปั๊บสยบประมาททันทีเลยนะสุขเนี่ยทําให้ประมาทถ้าติดสุขปั๊บประมาทประมาทก็ขัดขวางตัวเองไม่ให้เดินหน้านั้นใ น, ะนะตัวสุขนี่มันไม่ได้เสียในตัวเองแต่มันเป็นปัใจจัยให้ปัจจัยอีกตัวในตัวเราที่มันไม่ดีอยู่เนี่ยมันมาทํางานได้อันนี้คือระบบเหตุปัจจัยนะนะ ไอ้ตัวดีก็เป็นปัจจัยกับตัวไม่ดีได้ตัวไม่ดีก็เป็นปัจจัยกับตัวดีถ้าใช้เป็นไอ้ปัจจัยไม่ดีก็กลายเป็นดีไปนะมันกลายเป็นว่าทําให้เกิดการทําที่ดีที่ถูกต้องได้เอาละแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบหรือลุ่มหลงโมมาวก็แล้วแต่นะฮะไม่ติดไม่เพลินไม่ไม่ทำให้เกิดความประมาทแล้วก็สี่พยายามกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นไป หมายความว่าบางทีเราอยู่ไปเราก็หาความสุขแต่ก็เหตุแห่งทุกข์ที่มีอยู่เราไม่ได้กําจัดให้หมดหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณนี้ยิ่งขึ้นไปเพราะเรายิ่งกําจัดเหตุแห่งทุกข์หมดไปเราก็ยิ่งพัฒนาตัวไปใ น, ในทางความสุขมากขึ้นด้วยก็มีสี่ข้อเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะอันนั้นเรื่องความสุขก็เป็นเรื่องต้องพัฒนา นี่เราจะมองเห็นความสุขเนีหลายแบบในพุทธศาสนานี่มีการแยกแยะความสุขไว้เยอะเลยนะแสดงาท่านเอาใจใส่มากเรื่องความสุขบางแห่งแยกสุขไว้สิบอย่างหรือสุขอย่างง่ายๆที่สุดฉันแยกเป็นคู่ๆคู่คู่เยอะเลยแบบคู่เช่นสุขทั้งกายสุขทั้งใจอย่างนี้นะหรือว่าคู่ที่น่าสนใจที่มากก็คือคู่สุขที่อิงอาศัยวัตถุ หรือสุขกับสุขที่ไม่ขึ้นต่อวัตถุหรือพูดเป็นสำมโหนพระว่าสุขที่อิงอาศัยอามิตรการสุขที่ไม่ขึ้นต่ออามิตรนี้ถ้าเราดูแม้แต่หลักง่ายๆอย่างนี้เราจะเห็นว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะมีความสุขทางวัตถุแล้วกลายเป็นสุขที่ขึ้นต่ออามิตรขึ้นต่อวัตถุแล้วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็กลายเป็นขนหมดอิสรภาพจริงไหมลองดูให้ดีขึ้นแต่วัตถุเขาไม่รู้ตัว คนเราจะพัฒนาความสามารถในการที่จะหาสิ่งต่างๆมาโดยเข้าใจนั่นคือการหาความสุขทำตัวให้เก่งก็คิดว่าวัตถุนี้เป็นแหล่งของความสุขใช่ไหมมีสิ่งบํารุงบำรโหต่างๆมากมายถ้าเรียกว่าอามิตรนี้ตัวจะได้แหล่งความสุขคืออามิตรเหล่านั้นมาตัวก็ต้องพัฒนาความสามารถเดี๋ยวนี้แม้แต่การศึกษาก็เลยไปโยงความหมายนี้ด้วยก็การศึกษาก็มาพัฒนาความสามารถในการที่จะไปแสวงหาอามิดเหล่านี้ แล้วก็จะได้มีความสุขมากๆทีนี้ก็เลยมีความสามารถมากเรียกว่าการศึกษาที่พัฒนาความสามารถในการหาสิ่งเสพมาบําเหือความสุขก็หามาหามาให้ตัวมากๆนี่มันมีอะไรหลายอย่างที่น่าวิเคราะห์ในกระบวนการนี้แต่อย่างง่ายที่สุดก็คือมันจะเป็นความสุขที่ขึ้นแต่วัตถุมากคือโดยไม่รู้ตัว ขึ้แต่วัตถุยังไงก็หมายความว่า้ความสุขนะั้นไม่ได้อยู่ที่ในตัวเองนะมันฝากไว้กับวัตถุเหล่านั้นถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขถูกไหมตัวเองไม่สามารถมีความสุขโดยลอยโด ย, โดยลําพังตัวเองต้องอาศัยวัตถุเหล่านั้นขาดวัตถุเหล่านั้นไม่ได้ทีนี้เมื่อตัวพัฒนาความสามารถและหาสิ่งเสพมากขึ้นมากขึ้นมันมลืมตัวมันก็กลายไปว่าต้องมีมากขึ้นมากขึ้นจึงจะสุข ต่อมาที่เคยมีน้อยแต่ก่อนไม่มีแล้วมีบ้างก็สุขหรือแม้แต่คิดว่าถ้ามีเท่านี้ใช่ปะเคยไม่มีเลยคิดว่าถ้าเรามีสักพันหนึ่งละแหมสุขเด้อเกินแล้วเยี่ยมต่อม า, อาหาได้แสนหนึ่งนะไอ้พันนี้กลายเป็นทุกข์หรือเชื่อไหมนะออวันนี้ได้พันไม่ไหวแล้วแย่ yeah. ทุกข์แหละ ต่อไปได้ล้านได้สองล้านไอ่แสนกลายเป็นทุกข์ไปเลยแล้วกลายเป็นคนที่สุขยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นพร้อมกันที่สุขได้ยากขึ้นก็ทุกข์ง่ายขึ้นด้วยแล้วความสุขก็ไปขึ้นแต่วัตถุหมดก็ลกลายเป็นคนที่หมดอิสรภาพนี่แหละคืออิสรภาพที่ต้องวิเคราะห์ความหมายเพราะอิสรภาพในความหมายแบบจะเรียกว่าแบบฝรั่งก็ได้นะหรือฝรั่งส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดมักจะมองโน้มเองไปในทางที่ว่า มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งอื่นและมีอำนาจที่จะจัดการกับอะไรอื่นเนีนยเขามองเช่นี้เลยนะะคือไม่ใช่แค่คนมาจากไอการถูกจำกัดถูกผูกมัดเท่านั้นนะแต่หมายความว่าสามารถที่จะไปจัดการอะไรต่ออไรได้ตามชอบ <c oughs> ก็เลยพวกที่แสวงหาความสุขได้เก่งแกก็ข้าใจผิดว่าแหมการมีฟรีดัมดีเหลือเกินมีอิสระภาพ สามารถไปจัดการกับอะไรได้นะครับหาสิ่งทั้งหลายสิ่งเสพบำรุงเราได้มากมายเนี่ยไม่รู้ว่าที่จริงตัวนี่สูญเสีย ฟ, ฟรีดัมหมดแหละเพราะหมดอิสรภาพเลยใช่ไหมกลายไปว่าตัวเองต้องขึ้นแต่วัตถุนั่นหมดเลยไม่มีความสุขเป็นของตัวเองทีงนี้ในกระบวนการนี้มันก็มีเรื่องที่ต้องวิเคราะห์หลายขั้นที่วามากี่เช่นว่าหนึ่งก็คือว่าเมื่อตัวเองหา แล้วจะต้องสุขเมื่อมีของมากขึ้นเสพมากขึ้นคนอื่นก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามีแนวคิดเหมือนกันและสิ่งของในโลกมันมีจํากัดใช่ไหมก็ต้องแย่งชิงและเบียดเบียนกันนํามาซึ่งทุกข์ของกันและกันนะอันนี้ก็คือนํามาซึ่งความแย่งชิงและความขัดแย้งในหมู่มนุษย์แล้วเมื่อเสพบริโภคมากก็ทําลายธรรมชาติแวดลอ้อมอันนี้ก็คือกระบวนการที่เกิดปัญหาของมนุษย์ทั้งหมดในปัจจุบันก็เรียกว่า นี่คือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสุขที่มันผิดพลาด น, นี่ความสุขที่ไม่มีอิสรภาพและเป็นความสุขที่สุขได้ยากขึ้นทุกได้ง่ายขึ้นนะนะแล้วก็เป็นความสุขแบบเมืองขึ้นแล้วก็มีลักษณะอีกอันนั่นก็คือเป็นความสุขแบบต้องหาซึ่งมันส่อแสดงในตัวตัวเองไม่มีความสุขจริงหาความสุขอา้าว ก็บอกอยู่แล้วว่าฉันไม่มีความสุขฉันจริงตระหงาใช่ไหมคนเดนี้เป็นคนนักหาความสุขในฐานบุธศาสนาท่านให้ฝึกตนให้มีความสุขไม่ใชให่หาความสุขเพราะฉะนั้นมันจริงต้องมีกระบวนการคู่กันท่านยอมรับว่าคนเนี่ยต้องอาศัยวัตถุเป็นอยู่ในระดับหนึ่งเราต้องอาศัยมันเราก็ต้องมีการศึกษาด้านหนึ่งที่มีสมารถชีพเป็นต้นเพื่อให้มีความสามารถในการที่จะเลี้ยงชีพ ทำอาชีพการงานต่างๆนะแต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขจช่ไไอเนี้ยตัวสาคัญที่ที่เราขาดคนปัจจุบันไม่เอาเลยนะพัฒนาความสามารถที่จะหาความสุขนะแต่ไม่พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขแล้วเมื่อเขาเก่งในการหาสิ่งเสพจาเริความสุขมากขึ้นเขาก็ยิ่งหมดความสามารถที่จะมีความสุขถูกไหมเพราะความสุขขึ้นแต่วัตถุ ความสามารถที่จะมีความสุขน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ยลงเดี๋ยวเนี้ยต้องดูสิจกนกระทั่งฆ่าตัวตายง่ายอะไรแต่อะไรทุกง่ายสุขได้ยากนี่ถ้าเก่งจริงเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปต้องสุขได้ง่ายทุกได้ยากใครจะมาทําให้ฉันทุกเฮ้ยไปไปได้ยากแกจะมาพยายามเลยนะ <c oughs> สุขได้ง่ายมียังไงมียังไงฉันสุขได้หมดแต่ไอ้สุขนี่ตัวลําคันคืออย่าทําให้ประมาทนะ สุขเนี่ยตัวร้ายก็คือว่ามันเป็นเหตุให้ประมาทก็ต้องระวังถึงแม้จะปฏิบัติถูกทางแต่ถ้าทําให้ติดประมาทหยุดเมื่อไรผิดทันทีนันต้องมีกรอบเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราอยู่ในโลกเราต้องสุขง่ายขึ้นอย่าไปสุขยากขึ้นแล้วก็ต้องทุกข์ได้ยากนะอย่าไปทุกข์ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นหลักเขาฉะนั้นก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนี่ ใ่าก็ให้พัฒนาความสามารถในการมีความสุขก็เลยมีความสุขหลายระดับนะเราก็พัฒนามันก็การพัฒนาความสุขมันก็ไปสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านอื่นๆเช่นการพัฒนาความต้องการเป็นต้นคนเรานี่ที่มีความสุขก็โดยปกติก็คือเพราะได้สนองความต้องการแต่ว่าเพราะเขามีความต้องการอย่างเดียวคือต้องการวัตถุเสพเขาก็มีความสุขด้านเดียวคือสนองความต้องการ ในการได้วัตถุเสรเมื่อได้สิ่งเสรมาก็สนองความต้องการเขาก็มีสุขเขาก็มีสุขอย่างเดียวแต่ถ้าเขาพัฒนาความต้องการอย่างอื่นขึ้นมาความต้องการนั้นก็จะเป็นทางมาของความสุขอื่นเหมือนอย่างเมื่อกี้เช่นคนที่ต้องการความรู้ใยรู้ความต้องการอย่างนี้เกิดขึ้ น, ขนเขาสนองความต้องการในการหาความรู้เขาก็มีความสุขในการที่จะหาความรู้จกนกระทั่งว่าลืมกินลืมนอน ไม่อยากไปหาวัตถุเสพเลยใช่ไหมพวกนี้ก็มีใช่ไหมอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์นักคน้นคว้าหลายคนที่เขาเขาค้นคว้าได้ใจจริงของเขาเนี่ยแม้แต่ที่คิดว่าไอสไตล์ก็เป็นแบบนเนี้นะคือแกอยากรู้ความจริงก็ธรรมชาติให้ความอยากรู้เนี่ยมันเป็นความต้องการสําคัญที่แกจะต้องสนองแล้วก็ทําให้แกเพียรพยายามทุกอย่างทางลระนนเรียกว่าเกิดชันทะขึ้นแล้วความชันทะคือความต้องการตัวเนี้ย อยากรู้มันก็ต้องเปียนพยายามตอนนี้การที่ได้ก้าวหน้าในความรู้หาข่าวรู้เป็นความสุขหมดเลยหรืออย่างตัวอย่างง่ายๆก็เช่นอย่างพ่อแม่รักลูกใช่ไหมก็ต้องการให้ลูกมีความสุขความรักในความหมายที่เป็นเมตตาความรักแบบพ่อแม่ความรักคืออะไรแค่ความรักคืออะไรก็อาจจะสงสัยเลยใช่ไหมความรักคืออะไรความรักก็คือความต้องการให้เขาเป็นสุข ที่ว่าพ่อแม่รักลูกก็คืออยากให้ลูกเป็นสุขก็ไม่จริงทีนี้ถ้าความรักแบบอย่างอื่นเนยต้องระวังความรักอย่างอื่นก็คือฉันอยากได้ความสุขจากแก <c oughs> เป็นอย่างนั้นเปล่าบาทีมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีเพราะฉะนั้นคนเนี่ยแม้แต่คู่ครองจะให้ดีต้องพัฒนาให้ความรักแบบที่ถูกต้องนี่มาคู่ดุลมังั้นแล้วมันจะเกิดปัญหา จะเอาจะจัดใจตัวเองแล้วต่อไปจะขัดแย้งกันจะเกิดเรื่องยุ่งความรักแบบว่าฉันชอบใจที่สิ่งนั้นบุคคลนั้นจะสามารถทำให้ฉันมีความสุขฉันชอบใจเธอเพราะเธอจะทำให้ฉันมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าความรักแบบรักะทีนี้ความรักที่แปลว่าต้องการให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขนี่คือ รักแบบเมตตาเช่นพ่อแม่พ่อแม่ก็อยากเห็นลูกมีความสุขต้องการให้ลูกมีความสุขพอต้องการให้ลูกมีความสุขทําไงก็ต้องหาทางให้ลูกเป็นสุขใช่ไหมเพราะเป็นการสนอ ง, องความต้องการของตัวนั้นก็จะให้แก่ลูกยังไงตัวเองแม้จะเสียไปก็ไม่ทุกเลยนะมีแต่ความสุขจะเห็นลูกเป็นสุขเมื่อไหร่ก็เป็นสุขด้วยเนี่ยความรักแบบเนี้ทีนี้พอพี่น้องรักกันแบบนี้ปับ๊บ พี่ก็สละให้น้องได้อีกใช่ไหมทำเพื่อนน้องได้หมดเพราะตัวเองเป็นสุขเนี่ยในการทําอย่างนั้นต่อไปก็พัฒนาขึ้นที่ท่านให้แผ่เมตตาให้พัฒนาเมตตาขึ้นมาก็อันนี้แหละพอพัฒนาขึ้นมาไอ้ความสุขมันก็เกิดเพิ่มตามอัตราส่วนของความรักและการขยายขอบเขตของความรักต่อไปเป็นพระอริยบุคคลอย่างพระโสดาท่านก็รักเพื่อนมนุษย์ทั่วไปหมดมันก็เลยท่านก็สามารถมีความสุข มากขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยความสุขก็เลยมีแหล่งที่จะมีไอ้ความสุขวันนี้ก็เป็นความสุขแบบร่วมกันสุขด้วยกันถ้าเป็นความสุขแบบอามิดก็เป็นความสุขแบบแย่งกันสุขให้ฝ่ายหนึ่งสุขว่านึงทุกใช่ไหมฮะเราได้เขาเสียความสุขอยากแย่งชิง่บบนี้ก็เกิดปัญหาในโลกนั้นท่านก็ให้พัฒนายอมรับว่าขั้นต้นมนุษย์ต้องอาศัยสุขจากวัตถุแต่ว่าอย่าไปหยุดแค่นั้นก็พัฒนาตัว ก็พอเราพัฒนาความต้องการเหล่านี้ความต้องการเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นคุณธรรมตรงนั้นใช่ไหมใช่ความต้องการรู้ก็เป็นฉันทะก็เป็นคุณธรรมอย่างความต้องการที่ให้เขาเป็นสุขก็เป็นคุณธรรมแล้วก็เมตตาความต้องการให้เขาพ้นทุกข์ก็เป็นคุณธรรมแล้วก็กรุณาก็ความต้องการดังนั้นแหละทีนี้มันก็เป็นคุณธรรมขึ้นมาเราก็เรียกชื่อมันไปแต่ที่จริงแก่ของมันก็คือความต้องการแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องสนองแล้วพอสนองก็มีความสุข อันนั้นมันก็เลยมีหนทางที่จะมีความสุขเนีมากท่านจับจุดนี้ท่านก็มาให้คนพัฒนาตัวในเรื่องพัฒความสุขเพราะความสุขมีมากขึ้นคนเองตัวเองก็จากการเป็นนักหาความสุขก็กลายเป็นคนมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งเป็นคู่มีความสุขในตัวเองแล้วก็มีความสุขเป็นคุณสมบัติประจำตัวอยู่ในตัวไปเลยก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันเนี่ย คือผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวเป็นคุณสมบัติในตัวเองก็จกก็ไม่ต้องหาความสุขเมื่อไม่ต้องหาความสุขท่านเรียกก็เป็นบุคคลที่เต็มอิ่มเมื่อเต็มอิ่มก็ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเมื่อไม่ต้องการกา ร, การที่จะมีความสุขเต็มบริบูรณ์ก็มันก็ส่องแสดงบ่งชี้ไปเองว่าเขาได้พัฒนาอะไรแต่ไหลมาถึงจุดแล้วใช่ไหมถึงจะมีความสุขในตัวเองเต็มสมบูรณ์ก็คือพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตใจพัฒนามาพร้อมหมด ก็เป็นบุคคลที่เต็มอิ่มเพราะเต็มอิ่มก็ไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตอนเองเพราะนั้นพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงไปเที่ยวจาริกสั่งสอนเพื่อชาวโลกโดยที่ไม่ได้มีความทุกข์อะไรแล้วไม่ต้องเสียสละด้วยถ้าอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องตั้งปณิธานเรายอมเสียสละตนเองทําเพื่อเพื่อนมนุษย์เลยแต่ถ้าอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นคุณสมบัติในตัวเองท่านเป็นอย่างนั้นจะเป็นคนละแบบ ทำไมเราจึงมีความแตกต่างาระหว่างพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์และพระพุทธเจา้าก็คือว่าพระโพธิสัตว์ท่านยังมีสิ่งที่ท่านทำตั้นท่านต้องทําเพื่อตัวท่านเองแล้วท่านจะ บ, บรรลุความสมบูรณ์นั้นท่านก็เลยต้องตั้งปณิธานว่าทําเพื่อผู้อื่นให้เต็มที่อยู่ได้ได้ปณิธานนี่พอสมบูรณ์แล้วมันมีในตัวเองมันก็เลยไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองก็งทําเพื่อผู้อืน่น แต่บอกกะตะ ก, กิจโจโกระตะ ก, การนิโยไปผู้ทํากิจสิ่งที่ต้องทําก็คือเพื่อตัวเองในะการสุขตนเป็นต้นเนี่ยจบแล้วดัง น, นั้นภาวะนี้ก็คือเรียกว่านิพพานก็คือภาวะที่พัฒนาตัวเองสมบูรณ์เต็มอิ่มแล้วหมดทุกข์แล้วมีความสูขในตัวเองพร้อมแล้วเรียกว่ า, า, วาภาวะนิพพานก็คือบุคคลนิพพานไม่มีตัวตนที่จะต้องมาบํารุงบําเลอปลนเปลอทําอะไรให้แล้วนิพพานดับตัวตนแล้ว นี่เรียกว่าภาวะนิพพานก็เป็นคําที่กว้างมากความหมายจะพูดไม่ถูกก็พูดคําเดียวรู้กันทีนี้คนสมัยหลังนี่ได้ยินคําว่านิพพานมองความหมายไม่ถูกเพราะไม่เข้าใจระบบนี้ก็นิพพานก็ดับโอ้โหเราจะไปดับทำไมก็เลยไปกันใหญ่ทีนี้วานิพพานเนี่ยก็คือภาวะที่มันสมบูรณ์ทุกประการแล้วพอบุคคล น, นิพพานแล้วทีนี้ก็ ท่านจึงบอกเข้าคติที่พระเจ้าตรัสเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ชนเพื่อเมตตาการุณาแก่ชาวโลกใช่ไหมพาเธอทั้งหลายไม่มีอะไรแล้วไม่มีบ่วงบูกมัดอะไรแต่เลยเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นั่นก็บุคคลนิพพานก็จึงได้พูดในเรื่องที่ผ่านมาที่ท่านเอาไปตั้งชื่อเทปบุคคลนิพพานทําการเพื่อโลกนี่คือลักษณะของพระอรหันต์ว่าทําไมจึงมีนิพพาน เป็นอุดมคติของบุคคลบุคคลก็มีจุดหมายที่นิพพานก็คือเป็นความสมบูรณ์ในตัวที่มีความสุขมีอะไรพร้อมซึ่งเป็นการพัฒนาตัวที่เต็มที่พร้อมกับความชั่วความไร้เสียหายก็หมดไปด้วยเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องอยู่ไหมและพร้อมกันนั้นมันก็กลายไปว่าพอนิพพานตัวเองนิพพานบุคคลนิพพานแล้วก็ยิ่งพร้อมที่จะทําการเพื่อผู้อื่นนั้นอุดมคติสองอย่างก็มา ประสานกันเลยมันหนุนซึ่งกันและกันว่าพอบุคคลนิพพานก็เข้าคติว่าผูชนะอิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูเพื่อความสุขแก่ชาวโลกทําการเพื่อโลกได้น น, นี้คืออุดมคติพุทธศาสนาจําไว้ได้เลยนะฮะอุดมคติพุทธศาสนาคือด้านบุคคลนนิพพานนิพพานนี่เป็นเรื่องของบุคคล ก็เป็นการพัฒนาที่ให้บุคคลนั้นสมบูรณ์หมดความบกพร่องที่มีแม้แต่ความสุขเต็มอิ่มในตัวเองแล้วก็อุดมกติในด้านสังคมก็คือพระุชนทตายะพระอุชนะสุ ข, ขายะโลกาณุ ก, กรรมตายเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชชนทีนี้ในระหว่างนี้ก็เป็นสัมพัฒ์ก็หมายความยิ่งพัฒนาตนได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถทาเพื่อโลกได้ดีขึ้นเท่านั้นนะนี่คือ นี่ก็คือมาสู่หลักอีกหลักหนึ่งที่เรียกว่าหลักขั้นต้นที่สุดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือหลักพุทธศาสนาจะมีคู่เนี้ยอยู่เลยคือต้นตัดทั่วไปจะมีเนี่ยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วสองก็ขึ้นมาเป็นทําเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแล้วประโยชน์ตนเนี่ยที่แท้คืออะไรประโยชน์ตนที่แท้มันไม่ใช่อยู่แค่วัตถุสิ่งเสีใช่ไหมวัตถุ ประโยชน์ตนที่แท้ก็คือชีวิตจิตใจปัญญาที่มันพัฒนาจะเลยงอกงามขึ้นอ้าวนี่แหละไอ้ที่ว่าประโยชน์ตนยิ่งพัฒนาก็ยิ่งมาประสานกับประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพราะเรายิ่งพัฒนาตัวเองมีคุณสมบัติมีความดีงามมีความสามารถมีปัญญามีคุณธรรมมีสติมีสมาธิอะไรแต่ละดีขึ้นเท่าไรเราก็ยิ่งมีความสามารถและพร้อมที่จะทําการเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อโลกได้เท่านั้น น, นั้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมันจึงยิ่งพัฒนาไปก็ยิ่งประสานคือกูล่งกันและกันถ้าก็มาสู่พัตติที่ว่าในที่สุดก็มาสู่นิพพานและเพื่อโลกนี่เลยวันนี้ก็ยังไม่เข้าเรื่องที่ว่าโดยตรงก็พูดไปเรื่อยๆแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็คุยไปไปอันนี้ก็ว่าถึงเกณฑ์ท่ว่าเนี่ยที่จริงมันแฝงอยู่ในที่พูดนะพูดไปมันก็มีในนี้อยู่ด้วย เราจะเห็นว่าเป็นหลักกรรมก็มาอยู่ในนี้หลักเรื่องความเหตุปัจจัยความเป็นเหตุปัจจัยเรื่องการขั้นตอนการพัฒนาคนอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้หมดนี่คือแกนสําคัญในหลักการของพุทธศาสนาแล้วเราอาจจะเอาจากที่พูดพูดมันเนี่ยจับดึงออกมามาตั้งให้ดูทีมันก็คือเป็นทำมีอะไรสงสัยไมอย่อยู่เล็กน้อยเฉพาะส่วนนี้ไหมฮะ เรื่องที่ท่านจุอาจารย์ได้พูดมาในเรื่องการพัฒนาต่อไปครับถ้าที่ผมฟังดูนั่นก็คือในส่วนของเรื่องอนิมิตของการศึกษาเกิดประการใชรือปอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนี้แต่ในอย่างเช่นเรื่องอาตัดสัมปทาที่ท่านจุ้คุณได้เคยเขียนในหนังสือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนได้พูดถึงกันอั ต, ตัดสัมปท า, าครับผมคืออยากทราบว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ค่อยมีลงมนของเอกพุธเกศเคยได้ยินในหนังสือที่ท่านจะเป็นอาจารย์เขียนไม่ได้มีการพูดกี่ไปอย่างแพร่หลายอะไรผมก็คือไม่มีใครพูดถึงเลยว่างั้นเถอะก็เลยอยากจะเน้นก็เอามาเพราะว่าในพระไตรปิฎกเล่มสิบเก้าเนี่ยตัดไว้เรื่อยเลยนะชุดเนี้ยชุดเนี้ยที่มีเจ็ดข้อนี้นะตัดบ่อยมากก็ถือว่าถ้าเราเห็นความสําคัญของมรรคเนี่ยเราก็ต้องเห็นความสําคัญของ องค์ประกอบก่อนมรดินด้วยที่เรียกว่าบุพนิมิตของมรดิเป็นเรื่องสําคัญถ้อาอัตตาสัมปทากันนี่แหละก็จะทําให้เราเกิดจิตสํานึกในการศึกตนถ้าเราสร้างจิตสํานึกนี้ขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นทําให้เกิดพลังแล้วก็ทําให้เรามีหลักในการที่จะดําเนินชีวิตก้าวไปได้ด้ดี น, นี่การศึกษาปัจจุบันมันน่าจะมาเน้นในการสร้างปัจจัยภายในเหล่านี้ให้เด็กให้ได้คือให้เขาสามารถไปพัฒนาตน ไปอยู่ได้ได้วยตนเองการศึกษาที่แท้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการศึกษาที่สร้างความพึ่งพาให้มาขึ้นเช่นนีม้มหลไหมครับถ้าไม่มีถ้าจะได้ไปพักเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึกไปคำถามครับถ้าเกิดการเกิดอกุศลขึ้นในใจเกิดความคิดฟุ้งร้ า, ซ, าซึ่งมันเกิดขึ้นมาเองื อ, ค, อความคิดเปลี่ยนเพื่ผู้อืนอ่นอย่างนี้ครับทำให้จิตใจ มยเงี้ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับเพื่อให้ิตใจเราก็มันก็มีหลายวิธีอย่างน้อยก็ทีว่วิธีแบบสมถะกับวิธีแบบวิปัสนาวิธีแบบสมถะก็วิธีทางจิตใจแล่วิธีวิปัสนาก็วิธีทางปัญญาวิธีทางจิตใจหรือแบบสมถะก็คือว่าเช่นหาสิ่งทดแทนเมื่อเราคิดฟุ้งซ่านเราก็ต้องคิดถึงอะไรสักอย่าง หรือคิดไม่มีจุดหมายแล้วก็ไปในเรื่องประเภทนั้นประเภทนั้นไปเรื่อยไปทุ่มทราพย์ไปเราก็หาอะไรมาให้จิตมันจับท่านเรียกว่าอารมณ์อะไรก็ได้ไอ้ที่มันดีอะเรารู้นี่คือนตอนนี้สติมันจะทำหน้าที่เราก็ไปจับเอาไอ้เจ้าตัวนั้นมาใส่ใจให้ใจมันนึกถึงแทนพอไอ้เจ้าตัวนั้นมาแทนในใจไอ้เจ้าความทุ่มทรัพยหมดไปเองใช่ไหมอันนี้วิธีทดแทนเรียกว่าวิธีของสมัถะวิธีง่ายๆ หาอารมณ์ทดแทนหรือแทนที่ก็เลยแต่ก็แม้แต่การที่ว่าให้กําหนดลมหายใจหรืออะไรเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีประเภทนี้ด้วยนะเช่นถ้าอาจจะนั่งอยู่แล้วคิดอะไรฟุงร้งซ่านแล้วก็หันมามหรือไม้แทนกําลังคิดไปถึงคนที่ไม่ชอบใจแล้วโกรธขึ้นมาท่านก็เปลี่ยนอารมณ์ซะก็คือแทนจะไปคิดถึงเขาก็านึกถึงลมหายใจตัวเองกําหนดลมหายใจขึ้นมาเดี๋ยวนั้นอา้าวเราหายใจเข้าหายใจออกอยาวๆแล้วให จิตของเราคือสติเนี่ยจับอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็นับก็ได้นะหนึ่งหนึ่งสองสอ ง, สองให้จิตมันไปอยู่แบนี้หรืใช้วิธีแบบสัมประชัญญะก็อย่างกําหนดพวกวิธีการแบบยุบยหน่อพองหนอจะเน้นเรื่องสมประชัญญะก็หมายความว่าตอนนี้เราก็ลองเล่นอย่างวิธีที่บางท่านเอาไปพัฒนาเช ไม่ทราบบางท่านเคยได้ยินหรือเปล่าที่มีการยกมือขึ้นมาพลิกมืออะไรต่างๆแล้วนี้ยนะนะแล้วแต่แม้แต่ว่าทําอะไรก็กําหนดไปแล้วก็เขามีอุบายอุบายเช่นข่ใส่คําว่าหนองอ่ะเช่นว่ามือนี่ ย, ยกหนอมาหนอใส่ปากหนอนี่ยคือควมหมายความว่าสาระสาคัญก็คือว่ามีการกําหนดให้จิตมันอยู่สิกสิ่งที่ทํา เพราะใจคนเนี่ยมันมักจะฟุ้งซ่านลอยไปอยู่กับสิ่งอื่นก็ให้มันมาอยู่กับสิ่งที่ทำซะเพราะจิตมันมาอยู่กับสิ่งที่ทำมันไม่มีที่จะไปแล้วนะมันมีจุดที่จะต้องจับมันมีหน้าที่มีภาระมีงานเข้ามาแล้วมันไปอื่นไม่ได้มันก็เลยหมดเรื่องไปเลยตัดไปเลยนะนี่ก็คือวิธีที่ใช้อารมณ์ทดแทนวิธีสมัตรรมนะอันนี้ก็อย่างอื่นก็เช่นจะวิธีทางปัญญาวิธีทางปัญญาก็ เอามาพิจรารณาเช่นโยน้สมรจิการเช่นเราคิดถึงคนที่เราไม่ชอบใจแล้วไม่สบายใจเราก็มาพิจารณาถึงปัญญาว่าเออเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามนุษย์เราเกิดมาเราก็ไม่ได้อย่างใจคนที่ขัดใจเราก็มีคนที่ทำตามใจแล้วก็มีอย่างพ่ออย่างแม่ตามใจเราเยอะแต่คนที่ขัดใจเราก็มีปัญหาแต่คนเราจะเอาอย่างใจได้ยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนทุกคนก็มีทางนั้นแหละเราทุก อย่างนี้ขัดใจอย่างนี้ยังน้อยกว่าโมดูสิคนโน่นคนอีกเยอะแยะทุกมีปัญหากันเราเขาถึงก็ฆ่าตัวตายบองยิงกันบางวุ่นบางไม่เราแค่นี้ไปทุกข์เนอะกันเลยก็พิจารณาไปใช่ไหมมองไปแล้วหรือมองไปนังไงว่าเราจะไปโกรธเกลียดเขาทําไมที่จริงเนี่ยเขามีปัญหาเขาไอ้ที่เขามาอย่างเงี้ยเพราะเขามีข้อบกพร่องจิตใจเขาไม่ดีเขาอาจจะมีไอ้ปมปัญหาในหลังในภูมิหลังของเขา หรืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวในปัจจุบั น, นมีอารมณ์ค้างอะไรต่างเนี่ยวิจารณาเชิงปัญญาหาเหตุนนะปัจจัยพิเคราะห์ไปนะหายโกรธไปเลยบางทีกลายเป็นสงสารไปใช่ไหมถ้าเราพิจารณาเป็นเนหะมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆเห็นคนมาหน้าบึ้งเนี่ยอ่าเหมืนอนยังเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเห็นคนมาหน้าบึง้งพูดด้วยทักทายเราก็ฝึกตัวเราไว้ดีครับ อาจารย์สอนว่าให้ยินมแยนจ่นสใสทักทายให้ดีแม้เราอุตส่าห์ทักทายดีเขากลับแสดงอาการไม่ดีชักโกรธทีนี้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกไปตามความชอบใจไม่ชอบใจเขาใช้ปัญญาพิจารณาว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนไข้เขามีทุกข์เขาอาจจะไม่ได้นึกถึงเราหรอกใจเขาไม่สบายแม้แต่ว่าปัญหาในร่างกายเขาก็ทุกข์หนอย เขาอาจจะมีลูกเขาอาจจะห่วงลูกเขาอีกว่าถ้าเขาป่วยไปเนี่ยแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงใครจะเลี้ยงแล้วจะหาเงินที่ไหนมาโอ้ลำ บ, บากเยอะแยะเขาอาจจะมีเรื่องราวปัญหาเขาเยอะแยะเราควรจะต้องหาทางช่วยเขาพอมองอย่างนี้บางทีกลายเป็นสงสารนะแทนที่จะโกรธโอ้นี่เขามีปัญหาเราทําไงจะรู้ปัญหาของเขาก็เลยหาทางทั ก, ท, ท, ก ท, ทายไถามลงมีปัญหาอะไร หรือเปล่าไม่สบายใจอะไรไมอะไรเนะ่ะก็กลายเป็ น, นกระบวนการที่ดีก็เกิดขึ้นเรียกว่ากระบวนการแก้ปัญหาเราเองก็สุขภาพจิต ด, ดีด้วยช่วยแก้ปัญหาให้กขด้วยอันนี้เป็นวิธีทางปัญญานี่ยกตัวอย่างใช่ไหมพอจะเห็นไหมแต่คนบางทีทุกข์กับเพราะว่าเนี่ยไปมองแต่แค่ตัวเอง ถ้ามองไปแล้วเนี่ยมองไปที่ในโลกรเราจะเห็นว่าคนที่ทุกข์กว่าเราอะไรแต่อะไรปัญหามากแล้ววิธีแก้ทุกข์อย่างหนึ่งก็คือการไปทำความดีไปช่วยเขาทำให้เขาเป็นสุข <c oughs> ก็เป็นวิธีฮาการไปทำให้เขาเป็นสุขก็เป็นวิธีหาความสุขอย่างหนึ่งถ้าจะเรียกว่าการหาความสุขบางทีเราหมดทุกข์กอย่างเงี้ยเรา ไปตันซนะถ้าเราไปช่วยไปทำความดีให้ผู้อื่นมันก็เกิดความสุขนะดาีก็กลายไปว่าไปพัฒนาคุณธรรมขึ้นมาเองมันก็เป็นสถานการณ์ที่เอื้อให้คุณธรรมนั้นเกิดขึ้นเหมือนก็ว่าเรามีศักยภาพที่จะมีคุณธรรมนั้นอยู่แล้วมันเริ่มมีอยู่อะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสพัฒนาพอไปมีสถานการณ์เอื้อมันก็พัฒ น, า, น า, เาเดี๋ยวจะดึกกันใหญ่อย่างนั้นก็ไว้ค่อยนัดคุยกันอีกที